เดี๋ยวใครอาจารย์พรพิไลสววสดีจ้าสบายดีนะคุณนูสบายดีหรือเปล่าสบายดีน ะ, ะสบายดีค่ะตอนนี้มีงานทางซูมเยอะเลยค่ ะ, อะของมูลนิธิที่ทำอยู่อาทิตย์หน้าจะไม่ได้เข้ า, าอ่ะครับเขาเป็นคทางซูม ก, กันสองทุ่มเหมือนกันกอตามสะดวกดูดูย้อนหลังก็ได้ค่ะ ใช่ครับเพราะส่วนใหญ่รับเป็นผู้ฟังค่ะทังภาษาอังกฤษภาษาไทยทั้งสองว่าควันนี้อาร์เฟนให้กับคุณลันุกุลแล้วนะเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนเห็นบอกอยากอยากฟังอยู่ค่ะเขาเข้า Facebook เพื่อจะ forward ไว้ห้อยู่เขาเข้าซูไม่เป็นนะคะอยากจะเป็นผู้ฟังเหมือนกันเมื่อวานก็ให้หนังสือพอาจารย์ไปค่ะ ก็พังพังผ่านทางเ c e b o o k ก็ได้ถ้าเข้าสู่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปให้ค่ะของ e b o o k ก็ไลฟ์เหมือนกันไลฟ์สดเหมือนกันตอนนี้คนเข้ามาต้องร้อยกว่าแล้วค่ะอันนั้นฟังง่ายคุณประหยัดก็ฟังทางนั้นมั้งคะค่ะเราคุยกันอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับท่านอื่นต่อนะค่ะเชิญฟังรับฟังตอบไปเอ่อ ไเอยเมื่อกี้เข้ามาก่อนไทยแลนด์เนี่ย th ไทยแลนฮะ hello th t ท a i l a n d กำลังทำอะไรอยู่เหรอน้มัสการเจ้าค่ะหนูมาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านพุเจ้าค่ ะ, ะจังหวันอะไรจำกันสงคารเจ้าค่ะสงขาที่เคยถามคำถามเนี่ยวันนี้ยอมเปิดหน้าเปิดตาเล้ว <c oughs> อ่ามีอะไรจะถามม า, มาพอดีว่าที่ที่วิทยาลัยเขาให้มีการท่องจําเจ้าค่ะแล้วก็แบบเป็นคนจํายากแบบจายากมากเลยแต่ว่าแบบบางคนก็จําจําท่องแค่ไม่กี่รอบก็จําได้แล้วแต่ว่าเราต้องท่องหลายรอบกว่าจะจํามีเทคนิคอะไรที่ทําให้คาจําดีมากเจ้าค่ะก็ต้องมีสติเนี่ย ต้องมีสติเวลาเราท่องอะไรเราต้องรู้ว่าเรากําลังท่องอะไรอย่าไปท่องแล้วคิดเรื่องอื่นพร้อมๆกันเน้ะมันจะไม่มันจะจําไม่ได้แล้วก็ต้องท่องบ่อยๆท่องไปจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจจําได้แล้วมันก็คอยทบทวนอยู่เรื่อยพอจําได้แล้วเดี๋ยววันไหนช่วงไหนว่างอ่ท่องใหม่ท่องใหม่ท่องอยู่เรื่อยผ้าจานผ้าจานเรา จะทำยังไงให้เราไม่รู้สึกเสียใจกับความตายเจ้าคะไม่รู้สึกเสียใจกับความตายเลย uh huh. เออเริ่มต้นก็ต้องฝึกทำสมาธิก่อนฝึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่งทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะไม่เสียใจแต่พอใจไม่สงบมันก็จะเสียใจได้ขั้นต่อไปพอเรามีสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็สอนใจด้วยวิปัสสนา ถอนความจริงว่าร่างกายของเราทุกคนเกิดแล้วต้องแก่เถีบตายแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนสั่งคนใช้ร่างกายเราเป็นนายร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถอนใจเราต่อไปเราก็จะไม่กลัวเราไม่ได้ตายเวลาร่างกายตาย เรือกับตอนนอนหลับเราไม่ได้ตายไปกับตอนที่ร่างกายนอนหลับใช่ไหมตอนที่ร่างกายนอนหลับก็ตายชั่วคราวนะั่นเองเราก็อยู่ต่อไปอยู่ในโลกของความฝันแล้วก็ฝันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่ผู้อาจารย์แล้วเวลาทําไมเราอยู่ในฝันแล้วเราเราเราไม่ค่อยมีความมันกับว่า ความเหมืนอนว่าความรู้สึกดวงเราว่านมันไม่เหมือนกับตอนที่เราตื่นมาค่ะในการตอนที่เราฝันนี่เราคิดว่าเรากําลังเตื่นใช่ไหแล้วก็คิดว่าเรากําลังทำรุ่นทําได้อยู่เรามารู้ตอนที่เราตื่นทีหลังว่าเมื่อกี้ฝันไปแต่ตอนที่ยังไม่ตื่นนี่เราก็คิดว่าเรากําลังเตืนอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่เรากําลังทําอยู่อ๋อเจ้าค่ะพอเปิดขึ้นมาถึงกันรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราฝันไป พรอาจารย์เราจะมีการทราบได้อย่างไรว่าใครคือผู้มีบุญมากทุกคนอ๋ไม่ต้องไปสนใจหรอกใครบุญมากบุญน้อยสนใจตัวเราเี่ยเราเรามีบุญมากบุญน้อยหรือเปล่า <c oughs> ถ้าบุญน้อยก็รีบทำบุญได้เยอะๆถ้าถ้าอยากจะรู้ว่าคนมีบุญเป็นยังไงก็คือคนมีความสุขใจนะุสุขใจมากก็ถือว่ามีบุญมากทุกใจน้อย ถ้าทุกข์ใจมากสุขใจน้อยก็ถือว่ามีบาปมากบุญน้อยแล้วผู้ที่มีติดไฟในธรรมแบบนี้เป็นผู้มีบุญมากไหมเจ้าค่ะก็มีก็ถือว่ามีบุญมากแต่ยังมากแต่ต้องเพิ่มมากกว่าคนที่ไม่มีไฟธรรมอ๋อแต่ต้องต้องต้องมีไฟธรรมแล้วก็ต้องพยายามศึกษาให้มากๆแล้วปฏิบัติให้มากๆากถึงจะได้บุญมากยิ่งกว่า ตอนที่ตอนนี้ตอนนี้เป็นเพจุดเริ่มต้นเหมือนคนที่เข้ามาหาอะไรได้เข้ามาหาอะไรได้แล้วก็ต้องพยันเรียนเรียนให้จบสี่ปีเข้าใจหมเนาค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้แบบสวดมนต์่าค่ะเอนี่ยถ้าเอาสวดมนไปก็ถือว่าปฏิบัตินะเริ่มปฏิบัติแนละ้วเริ่มอยู่ในชั้นอนุบาลแนละอยู่อยู่ปีหนึ่งแนละ้วปีหนึ่งเข้ามาหาอะไรแล้ว บุนไปเวลาไม่ได้สวยก็ทำพุโทโธพุโทโธค่ะเคยฝึกนั่งสมาธิเคยฝึกนั่งสมาธิแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าจิตวุ่นวายมากเลยก็เวลาวุ่นวายก็พุโทโธไปสวดบุญไปก่อนก็ได้อ๋อเจ้าค่ะเออพระอาจารย์พระพระอาจารย์พระอาจารย์คือผู้มีบุญจริงๆเลยเจ่าค่ะไมนะ่เราเราเป็นผู้มีกรรมต้องมารับใช้โลกเทอนีญ <laughs> ต้องมาคอยตอบคําถามใยต่อนให้คงถึงมีกรรมเลยใช่ก่อนคงไปถามคําถามก็ไว้มากถใช่เลยตัวเราลางนะหนูถามคําถามมาก่ากจะตอไปหนูต้องเป็นคนไปตอบคําถามคนอื่นต่อนะแล้วถ้าถามมากต้องต้องต้องตอบมากเลยนะเจ้าคะ่ะอ่าก็ใช้กรรมไงเหอเราทําอะไรไว่าเราก็ต้องใช้กรรมทั้งนั้น ัยจะถามมากถามเท้าที่จําเป็นก็พอตาอบหรือยังวันนี้ต่าแล้วใช่ไหมให้คนอื่นให้คนอื่นก็ถามว่าแต่ยอย่าถามเดี๋ยวเรารอบสองแล้วแต่นนะแตาทุกโอเคชื่ออะไรน้อยังไม่ได้บอกชื่อเล ย, นเนยชื่ออะไรชื่อจริงหรือชื่อเล่นได้ทั้งนั้นอนะ่ะแล้วหล้าจะจะบอกชื่อชื่อชื่อจริงชื่ อ, อนิยาตาทุกผาอันนิยะตา เจค่ะแล้วแบบไม่อยากตั้งชื่อตัวเองตั้งชื่อสมมุติเจ้าค่ะอ๋อชื่อชื่อสมมุติเหรออนนี้อานีรยม่ น, นี้อันนี้อันนี้เป็นแบบชื่อจริงเจ้าค่ะแต่ ว, ว่าไทยแดนชื่อสมมุติอ๋อชื่อสมมุติโอเคเอาละเอาละเนาะขอนะขอข อ, ขอให้พระอาจารย์มีความสุขมากๆแล้วก็โชคดีมากๆเจ้าค่ะสาธุเจะาขอให้หน้องเรียนเก่งๆนะเรียนให้จบนะสาธุเจ้าค่ะโอเค คุณวิลาศินิจากเยอรมันในเมืองดรสเดนก็ดรนะารค่ะท่านค่าอยู่อยู่ดรสเดนค่ะ okay. มีอะไรไหมวันนี้ท่านพระอาจารย์คะมยมก็ที่ผ่านมายมก็ปฏิบัติค่ะแล้วก็พยายามเพิ่มเพิ่มจํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติ ด, ด้วยค่ะแต่ก็ได้มัง่งไม่ได้มัง่งระหว่าง จันถึงสุขอะนะคะแต่เสาร์อาทิตย์พอดีมันอะไรอะไรมันลงตัวค่ะโยมก็เลยได้ทำห้าชั่วโมงค่ะรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะได้ทําติดต่อกันแล้วจิตมันละเอียดเย็นแล้วก็ฟ้านี่นะคะจนโยมคิดว่าถ้าท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องละความสุขจากการปฏิบัติสมาธิด้วยนี่มองไม่เห็นทางเลยค่ะท่านมันมันเป็นสิ่งที่แบบดึงดูดมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะ อ๋อ น, นั่นยังอิจ ก, กลอยู่ไม่ต้องกังวลอ่ะตอนนี้ติดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้เต็มที่เลยอาศัยความสุขสมาธิเพื่อมาเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายก่อน <S S S พยายามเลิกแต่<ห>แล้ว<า>พอความสุข<ค>ทางตาหูจมูกยื่นกายพยายามเลิกให้หมดมาหาความสุขทางสมาธิแทนก่อนแลนน้วต่อไปจะเห็ น, นว่าแม้แต่ความสุขทางสมาธิมันก็ไม่เที่ยงหอนอะนี่ก็อยากจะหาความสุขแบบที่มันเที่ยง ที่มาเทงก็คือคามสุขที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พึ่งหาความสุขจากอะไรทั้งนั้นค่ะแล้วยังมีความรู้สึกว่าจิตเวลานั่งไปนานนานกว่าปก ต, ติหน่อยนะคะท่านจิตมันจะจากที่เคยพุ่งๆแกว่งๆมันก็จะไม่พุ่งไม่แกว่งรู้สึกว่าเวลาสติดีค่ะสติต่อเนื่องมันก็จะสามารถควบคุมเหมือนกระแรงอันนั้นได้ค่ะมันไม่กวาดแกว่งไปไหนแล้วมัน โฟกัสมันจะกดเข้ามาใกล้ตัวเรื่อยๆค่ะแล้วมันดิ่งลงไปอะค่ะท่านอ่าถูกต้องถูกต้องใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้อย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่กับที่โฟกัสมันแล้วก็ดิ่งลงข้างล่างเรื่อยๆเลยค่ะอ่าแต่ว่าเสียดายยังยังยังทํานานๆไม่ได้อะค่ะท่านที่ยมทำค้างช่วงก็ยมแบ่งสามรอบสี่รอบอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็ต้องทําไปเรื่อยๆแล้วก็หาเวลาทําเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เขาปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็อยากจะบวชเอง เพรู้ว่าถ้าได้บวชให้เขาจะได้ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรจะได้มีเวลปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วบางทีไม่นอนไม่ยอมนอนด้วยถือเนสัตชิกเ น, นีอนน้อยเพราะเสียดายเวลาเอาไปนอนเอาเวลามาปฏิบัติดีกว่าอันนี้ก็มันเป็นไปเองไม่ต้องไม่ต้องไปกำหนดแล้วพยายามปฏิบัติให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันเท่าที่เราทําได้ตอนนี้ อย่าไปถึงกับเครียดเวลาที่ทํามากกว่าที่เราทําไม่ได้อย่าไปเครียดอย่างนั้นทาไม่ ไ, มได้ก็อยอมแล้วกมต้องพยายามทําใจให้มันมันมีความสุขขัานวันไหนได้ทํามากก็ถือว่าเป็นกรํราไรอย่างเนี้ยค่ะวันไหนอย่าไปทุกอย่าไปทุกถ้าเป็นทุกเนี่ยมันเกิดจากกิเลสเกิดจ า, ากความอยากเวลาทํ า, ท า, าอย่างนี้แล้วตอนกลางคืนมันก็อาการของจิตที่ท่านเคยบอกโยมอะค่ะมันก็ตื่นอย่างนี้ยคะ่ะโยมก็เลยนอนภาวนาไปเลยค่ะ จะหลับก็ะป๋อมมันหลับค่ะถ้าตื่นก็คือภาวนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปอยากให้มันถ้ามันไม่หลับแล้วมันจะมันจะถึกมันจะเครียดแล้วมันจะยิ่งนอนไม่หลับใหญ่ะถ้าเราไม่ไปสนใจเราก็ภาวนาไปดูลงไปพูดโทไปก็ได้เดี๋ยวมันก็หลับออกมาเองแล้วเวลาที่โยมโยมนั่งภาวนานะคะท่านด้วยความที่นั่งทํางานก็หลายชั่วโมงแล้วนะคะหกเจดชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะปวดหลังปวดแข้งปวดขาไวหน่อยอะคะ่ะ แล้วพอเวลามันสมาธิเข้าไปนะคะท่านโยมก็พยายามไม่สนใจเวทนาือโยมก็คิดว่าตัวโยมนะคือจิตอะไรเงี้ยค่ะท่านก็ดูจิตไปเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยโยมก็จะรู้แค่ว่าความปวดแข้งปวดขามันเหมือนเป็นก้อนหนักๆก้อนเนื้อค่ะท่านแล้วโยมก็โยมก็อยู่กับจิตของโยมไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้อ ง, องค่ะอมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวด<ห>แต่แบบโยมรู้ว่ามันหนักนะคะเป็นก้อนหนักๆอยู่ตรงนั้นดูเฉยๆมันจะเป็นยังไงการดูเฉยๆไหมค่ะ ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันแล้วกันมันจะนักจะเบานี่ก็เป็นเรื่องของมันใจเราต้องไม่ไม่วุ่นวายไปกับมันใจเราเฉยเฉยใรสงบเป้าหมายของการปฏิบัติให้ใจสงบให้นิ่งไม่มีอยู่เบียาไม่ไม่ไม่มีปฏิกิริยากับอะไรทั้งทั้งหลายทั้งปูง อะไรจะเป็นอะไรก็ร่วมเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ต้องไปอะไรกัค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ยมเห็นจะเรียกว่าความก้าวหน้าก็ได้นะคะท่านยมคิดว่าเป็นความก้าวหน้าเพราะว่าโยมเห็นอารมณ์โกรธนะคะท่านยมพาลูกไปหาหมอแล้วมันเกิดการสื่อสารเข้าใจผิดเลยนะคะปรากฏว่าหมอไม่ว่างเพราะเขาคิดว่าเราจะมาตั้งแต่เมื่อวานแต่เขาเขียนใบนัดให้เราเป็นวันนี้อะไรเงี้ยค่ะแเรายมเห็นความโกรธนะคะท่านมัน ความไม่พอใจอะค่ะมันพุ่งขึ้นมาเป็นริ้วๆเลยค่ะในตัวเองอะค่ะพอรู้ปุ๊บมันก็ปล่อยทันทีเลยะค่ะท่านแล้วมาอยู่กบบตรงรู้ที่ปลายจมูกอะค่ะถูกต้องท่านท่านนีย้ยมไม่ได้คิดถึงตัวรู้ที่ปลายจมูกเลยอะค่ะก็คุยธรรมดาแต่พอความโกรธมามันปล่อยตัวนั้นเลยอะค่ะท่านดีดแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้มันคืออารมณ์หยาบๆนะคะท่านเดี๋ยว เกิดมีอารมณ์ที่ละเอียดกว่านี้จะคอยดูว่ามันยังจะรู้สึกตัวอยู่ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจเราครับนะตอนต้นก็ดูพวกของอย่างก่อนก็ดูส่วนที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยค่ะแต่ <S <S <S <S จะคอยดูค่ะจะสังเกตต่อไปค่ะแล้วยมมีอีกคําถามนึงนะคะที่อยากให้ท่านช่วยช่วยเอธิบายให้ให้ฟังด้วยค่ะยมไปฟังเทศ ของครูบาอาจารย์องค์หนึ่งแล้วท่านพูดถึงคําว่ามัคคะสมังคีค่ะท่านมันคืออะไรหรอคะมัค ก, ก็คือทางสมังคีก็สามัคคีไงความหายเป็นความสามัคคีของมัคแปดพอ ม, มัคแปดมารวมกันครบก็เรียกวมกัคค<า>สมังคีค่ะแต่ที่ยมเข้าใจในในเทศอันนั้นก็คือเหมือนจิตมันรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยมเข้าใจอย่างนั้นนะคะอ่ะอะามัคพอมัคมั น, นพร้อมปั๊บมันก็ผลก็ปรากฏขึ้นมาดูความสงบ เนีน่ยลักษณะเคก็หมายถึงสติสติสติ้นสติอะอยู่พร้อมหมดมันก็มันก็เข้าสูา่ธรรมได้ทันทีค่ะคำถามสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์ที่โยมสงสัยก็คือสมมติว่าโยมถ้าโยมต้องตายไปวันพรุ่งนี้มะลืนนี้อะไรเงนี้ยค่ะสมาธิที่เราทํามาเนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปโยมไม่ไ<ผ>มายไไอ้ที่ตายคือร่างกายร่างกายไม่ได้ตายโยมไม่ได้ตายทุกอย่างที่โยมมีอยู่ตอนนี้ก็ไปกับโยม นอกจากของของนอกกายนอกเท่านั้นแต่ของที่มีในใจนี้เท่าไหร่เหมือนกันไม่ได้ไปหมดเลยค่ะอหมดแล้วเวลาที่ตามเร็วของสตตจเห็นนามเห็นอะไรมันก็ไปแล้วมันอยู่กับเรามันเป็นเราเป็นของเราค่ะแล้วเวลาที่เราไปเริ่มทำภพชาติใหม่ค่ะเราต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยหรือเปล่าคะท่าแล้วก็แล้วก็ไปทำต่อเลยอืมค่ะ แต่เราหนึ่งเห็นคนที่มาปฏิบัติธรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพูดพลาดรวดเร็วบางคนงคเริ่มต้นคนที่ไม่เคยทํามาก็ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนคนที่มาถึงสิบแล้วก็ก็ต่อไปเลยต้องไปต่อสิบไปเลยค่ะค่ะการปฏิบัติจึงมีคนถึงแม้จะมาเริ่มปฏิบัติธรรมพร้อมกันแต่อาจจะอยู่ต่างระดับกันบางคนพอเข้าถึงธรรมพวกไปเลย พานาได้หรือบางคนต้องไปหัดทดําบุญทําทานอี่างไปหัดรษาศีลก่อนหัดไหว้พระสวดมนต์ก่อนเพราะเขาไม่ได้ทํามาในอดีตเนี่ยแสดงว่าทาไปเลยเต็มที่เลยมันไม่สูญหายไปไหนแน่นอนเวลาตายก็เหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าวาันนี้คนเปลี่ยนพรุ่งนี้คนเปลี่ยนชุดยังคุนก็ยังคนเดิเมใช่อ่าร่างกายนี้เหมือนเสื้อผ้าของจิต เห็นแต่เสื้อผ้าแต่ตัวจิตก็เป็นตัวเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมนิสัยใจคอความสามารถความอะไรต่างมันเป็นของจิตไม่เปลี่ยนไปไม่สนไปเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะวันนี้ยังมีคำถามแค่นี้คะ่ะท่าน <Okay. S 2> เดี๋ยวจะขอฟังไปด้วยค่ะอได้เ่ิญกับขอบคุณค่ะ okay. ท่านต่อไปยาใช้พิลาศิ์ คุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่คุณแม่ชื่อค่ะหลวงพ่อค่ะหนูมาลีค่ะมาลีอโอเคค่ะวันนี้หนูกลับมาจากออฟฟิศแล้ววันนี้อยู่สาทรเนี่ยอยู่บ้านอยู่แถวสาทรเนี่ยอยู่ตงมุท t a ารทค่หลวงพ่อมุท t a าร์ใช่ค่ะต้องนอนสี่ยันทำหลังนี้ม่อนสี่ใช่ไหมมันมันคนละคนละทางกันค่ะคนละทางกันใกล้ใกล้ ช่องช่องนนทรีจะอยู่แถวแถวซอยที่บ้านที่หลวงพ่อเคยเกิดตอนเด็กๆแ่ะค่ะแต่แต่ใช่ค่ะแต่วุฒิกัดนี่มันจะมาทางแถวราดชพฤกอะไรทางเนี้ยนะค่ะทางทองเตยทางลาชพฤกค่ะทางค่ะทางเส้นที่เขาตัดใหม่อะค่ะลวเราไม่รู้จักทานั้นไม่เป็นไรค่ะอยู่ใกล้ใกล้แม่น้ําอป่าไม่ไม่ใกล้ค่ะหลวงพ่อแต่แต่ว่า เวลาไปทํางานต้องนั่งรถไฟฟ้าใช่ปะข้ามแม่น้ําเจ้าพยาค่ ะ, ะข้ามไปฝั่งสาธรค่ะเพราะเราอยู่ฝั่งธนเนอะใช่ค่ะมรา อ, อ, อ, อยู่ฝั่งนี้ใช่เ ข, า จ, ข, า, จขาจะคิดว่าอยู่ฝั่งพระนคร <c oughs> โอเคมีอะไรไหมวันนี้หนูก็จะพูดถึงที่หนูปฏิบัติมาอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อเอาเลยค่ะคือเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยหลวงพ่อมัน ช่วงที่มันเกิดเวทนากับตอนที่เจ็บใจเราจะทนไม่ไหวอะค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนมีมีมีอะไรมีคิดอยู่ในหัวเราบอกว่ามันเหมือนช่วงเวลาที่ว่าเออกายมันกายมันกายมันเจ็บมันเหมือนอะไรมันกำลังจะแยกออกจากกันอะหลวงพ่อถ้าเราเหมือนเราคิดว่าเออเป็นกายกายมันเจ็บ แต่จิตเราไม่ได้เจ็บอ่ะมันเหมือนมันดึงอะไรออกจากกันพอดึงพอคิดได้อย่างเงี้ยว่าใจเราไม่ได้เจ็บมันเหมือนอะไรที่หลุดออกจากกันนะหนวงอก็อุปทานไงอุปทานที่ไปยึดติดที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยก็ถูกปลดออกค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยเ อ, อทุกครั้งที่ที่มันจะเริ่มแบบเหมือนเป็นสมาธิหรืออะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือพวกร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นมันจะเริ่มแบบ นิ่งๆเป็นก้อนๆอย่างที่พี่คนเมื่อก่อนหน้านี้พูดนะคะหลวงพ่ อ, อแล้วลอมันไปป่มันไปมันจะเป็นยางไงช่างบอกไม่ต้องไปสนใจค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยก็ปฏิบัติทนไปจะใช้คำว่าทนมันก็เหมือนกับไม่ไม่เชิงทนะ่ะหลวงพ่อเพราะมันมีมีจิตคิดแบบเนี้ยมันก็คือหลุดออกจากกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็นั่งต่อไปได้นานๆค่ะหลวงพ่ อ, อ พยายามนั่งให้มันสงบถ้ามันยังไม่สงบก็พยายามคุยโทต่อไปแล้วดูลงต่อไปแล้วแล้วบางทีทําไมช่วงที่เวลาเรานั่งได้นานเหมือนมันสงบแต่ความรู้สึกเราว่าเอ๊ะทาไมมันน้อยจังอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันเหมือมันมันจะแป๊บเดียวอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันก็มันก็นานระยะเวลาแต่ความรู้สึกเราบอกว่าเอ๊ะทาไมมันมันเงียบเงียบแบบว่ามันน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เวลามันไม่ได้ เรสัมพั์รับรู้เรื่องราวต่างๆเวลามันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ ว, วมันก็เลยรู้สึกว่าตัดเดียวแต่ก็พอมาดูนาฬิกาว่ามันผ่านไปต้องชั่วโมงนี้ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็เป็นความรู้สึกในจิตเราท่้งนี้ไม่เป็นไรไม่ติดตำนาค่ะอันนี้หนูก็ปฏิบัติ นานขึ้นรู้สึกมันดีขึ้นแล้วแล้วก็หนูก็ตอนเช้าหนูก็ไปทํางานเสร็จแล้วก็<ม>แวะไปตอนเช้าอ่ะขึ้นไปปฏิบัติอีกตั้งแต่เจ็ดโมงคึ่งถึงแปดโมงครึเลยค่ะ<ม><ม>ที่หนูคือมันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันอยากอยากจะทําแบบนี้ยเพิ่มขึ้น<ม>แต่ว่าก็ต้องหาเวลาค่ะหลวงพ่แสดงว่าเจริญก้าวหน้าต่อไปก็อาจจะต้องหาลดเวลาทํางนานลงนะค่ะ แล้วแล้วทีนี้ที่หนูได้ยินที่คนเขาพูดกันเรื่องชั้นชา้นนี่มันหมายถึงอะไรคะก็สมาธินี่ย<ห>สมาธิเป็นสมาธิเขาแบ่งเป็นชั้นชั้นเองเหมือนชานชานก็ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองสงบมากขึ้นตาชั้นทหนึ่งก็สงบระดับหนึ่งชั้นที่สองก็สงบมากขึ้นมากขึ้นไปก็แบ่งเป็นชั้ น, นช้นไปแล้วมันก็เป็นสมาธิแต่เวลาเรานั่งเราไม่ต้องไปนั่งนับว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนเราไม่ต้องสนใจมันจะไปของมันเองเหมือนรถเกียร์ออโต้ ถ่าเกียร์แล้วมันเดียวมันก็เปลี่ยนเกียร์แล้อย่าเดียวเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันไปแล้วไม่ต้องไปสนใจแต่ขับไปเหยียบคันเร่งไปแล้วก็พุทโธไปดูลมไปแล้วมันก็จะผ่านจากชานหนึ่งไปชานสองชานสามเดี๋ยวก็ถึงชานสี่ชานสี่จิตก็รวมนิ่งสงบเป็นดูแบงรกค้าไปหลมงพ่อครับแล้วบางบางวัน่ะมันก็ไม่ได้ว่าดีเหมือนทุกวันใช่ไหมคะหลวงพ่อมัน ไม่แน่นอนบางทีเรื่องมีเรื่องวุ่นวายก็มามากมันก็ทําให้ยากในบางวันสติไม่ค่อยดีไม่ควบคุมใจไว้ก่อนมามานั่งสมาธิเป็นการู้สึกยากผลไม่ค่อยเกิดแต่เราก็อยากไอท้อต้องพยายามนั่งตามเวลาที่เรากําหนดไว้ได้มากได้น้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องของสติของเราเรื่องเหตุการณ์ที่เราต้องผ่านมาในแต่ละวันมันไม่เหมือนกัน มันเรื่องก็ไม่มีเรื่องเวลามากมันก็ส ม, มงบง่ายมันมีเรื่องเวลามากมันก็สมุกยากค่ ะ, มมคะแต่หนูก็ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อ แ, <ต>แล้วก็หมัดเพิ่มแล้วก็ลดกิเลสด้วยลดการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดตาลดจมูกนิ่งกายหลวงพ่อหนูมีความคิดว่าตั้งตั้งแต่ก่อนมาเจอหลวงพ่อหนูมีความคิดว่าทําไมเรามีทุกอย่างแต่ทําไม เหมือนมันไม่มีความสุขอ่ะหลวงพ่อมันเป็นความสุขชั่วคราวเนี่ยนนหนู ค, คิดแบบนี้มาตลอดเลยแล้วก็ <c oughs> เรื่องคู่ครองที่บ้านน่ะหนูหนูคิดต่อต้านมาตั้งแต่แรกแล้วทีนี้พอดีที่ที่บ้านอะ่ะเขาอยากให้มีครอบครัวแต่หนูมีความคิดว่าหนูไม่อยากมีแล้วแล้วเสร็จแล้วหนูมีความรู้สึกว่าเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่า ก, การที่ หลับนอนกับคู่ครองหนูมีความสุขมันไม่มีประโยชน์หนูถามว่าเพื่ออะไรมันมีแต่คําถามเนี้ยแล้วหนูก็ปฏิหนูก็อย่างนั้นไม่ได้ค่ะหลวงพ่อหนูก็แสดงว่าการมารมของหนูมีน้อยไงมันก็เลยไม่คนที่เขามีการมารม์มากเขาก็โกดเหตุมากเขาเลยต้องกาจัดมันด้วยการร่วมหลับนอนกันแล้วถ้าไม่มีการมารมแล้วพูดไปนอนกับใครทํำไมแต่ <laughs> หนูมีความสุกว่ามัน มันมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่เข้าใจว่านะทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะในจิตหนูมันจะคิดแบบนี้ตลอดค่ะแล้วกนะ็แสดงว่าในอดีตหนูเคยเคยเคยละกามาเยอะนะแต่มันมันเหมือนกับว่าคนอ่ะเขาก็ว่าว่าหนูว่าผิดปกติแล้วก็ไม่ทำก็ผิดก็ผิดนะเพราะผิดจากเขาแต่ไม่มันไม่เขาว่าผิดปกติหรอกมันก็ผิดจากเขา แล้วเขาก็บอกว่า เ, าเาขาแบบเขาแบบผิดปกติเราปกติเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ครอบครัวมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่แต่หนูก็ โ, โหนจนแบบก็คือเหมือนทุกวันนี้เหมือนอยู่แบบเป็นเพื่อนค่ะหลวงพ่ อ, อพี่พี่เขาจ ะ, กะเกษียณงานแล้วแต่หนูหนูยังอยู่อีกเป็นสิบปีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยู่แบบเป็นเพื่อนไปเลยแล้วหนูก็หันมาทางนี้จนแบบเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรแล้วค่ะ ก็ดีแต่เขาไม่มาเพราะเข้าใจเราก็ดีไปค่ะถ้าเขาไม่เข้าใจก็เขาอยากจะไปมีหนูมาใกล้เขาไปหนูหนูยินหนูยินดีเลยค่ะแล้วก็แยกทางกอบเขาไปก็ได้หนูหนูยินดีหนูก็บอกเขาไปแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็คิดว่าหนูจะมาทางนี้หนูหนูสึกว่ามันสบายใจแต่แต่ว่าความก็เรียกอะไรโทสะของหนูอ่ะหนูมีความสึกว่า การที่หนูหันมาทางเนี้ยมันมันเหมือนยังกดโทสะหนูอยู่อ่ะคะ่ะหลวงพ่อมันยังไม่ได้หายไปจากจิตหนูทั้งหมดอะคะ่ะหลวงพ่อมันยังมีอยู่มันก็มีกันทุกคนอะจก่อนจะเป็น พ, พออระอรหันนั่นมันถึงจะหมดค่ะแต่วิธีจะลดลดโทสะหลวงก็ลดความอยากให้น้อยลงไปค่ะหลวงพ่อหลว ง, งพ่อแล้วหนูมีเรื่องหนักใจอีกอย่างหนึ่งคะ่ะเรื่องเรื่องงานคะ่ะหลวงพ่อคือที่บริษัทนะเขา เขาจะให้หนูเลื่อนตำแหน่งแต่หนูไปบอกนายว่าหนูไม่อยากได้หนูอยากแค่ทำงานพอตามอัตรภาพของหนูทำงานให้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอนายเขาก็ขัดแย้งกันอย่างเงี้ยหลวงพอ่อหนูก็เลยเหมือนว่าเอ๊ะแล้ว เ, เราจะยังไงดีเงี้ยหลวงพอ่อก็ถ้าถ้าเราอยู่กับเขาเขาเป็นนายเราถ้าอยากจะอยู่กันอย่างไม่มีปัญหาก็ต้องตามใจเขา ก็จะใหเพื่อนกันกลรับไปแต่หนูไม่ไม่เห็นความจําเป็นที่ไอ้ตําแหน่งอะไรที่เขามอบให้อะไรเงี้ยหนูหนูหนหนก็ไม่ชอบก็ไม่เป<ม>็นไรก็คิดว่าเป็นเป็นการเล่นละครไปก็แล้วกันก็เปลี่ยนบทจากบท น, นี้มาเล่นอีกบทหนึ่งแล้วก็เล่นไปเราอย่าไปดีออกดีใจไปกับมันก็เป็นการทํางานในในลักษณะหนึ่งในตําแหน่งหนึ่งล้วนนี่ก็ทําไปค่ะหลวงพอมันไม่หย ถ้าเราไม่ยึดติดก็ไม่เป็นไรถ้าเราทำไม่ดีเขาบอกเขาอยากจะปลดเราให้กลับไปอยู่เหมือนเดิมแล้วก็โอเคค่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายเขาตั้งให้เราทำอะไรมากงานแล้วทำเราก็ทำไปที่ยวเป็นงานก็แล้วกันค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้หนูมีเท่าเนี้ยค่ะหลวงพ่อพอถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างพะสุมึงก็ต้องเอ้าใจกันถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมมึงก็ควรจะเอาใจกัน ค่ะห <K an> ลวง พ, พ่อเพราะแต่ถ้ า, าถ้ามันผิดศีลผิดธรรมเราก็ต้องเราก็ต้องยอมขัดเขาถ้าเขา<น>จะให้ออกก็ออกค่ะหนูหนูก็คือหลวงพ่อหนูไม่ได้มายึดติดไอต้ตรงตำแหน่งตรงนี้ยเพราะว่าหนูเวลา <K an> ทําอะไรหนูก็ทําแบบเต็มที่อยู่แล้วนะหลวงพ่อได้เราไม่ยึดติดเราถ้าเราไม่มีความอยากไม่ต้องไปกลัวคหมือนส้มหล่นก็อยู่ดีเขาให้มาก็รับไว้ค่ะหลวงพ่อรับไว้แก็อยากจะอึดอัเมื่อไหลายก็เคยเข้ไปได้ค่ะหลวงพ่อ แล้วเราอย่าไปหลงไปกับตําแหน่งแล้วก็ไปทําตัวให้เป็นเหมือนกับออไปรังแกคนที่เขาต่ำกว่าเราอะไรลำดับนี้เราก็ต้องเมตตาเขาเหมือนเดิม่หลาบางคนพอมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นหลงตัวเองเลื่อนเพื่อนเลื่สูงที่เคยอยู่่คะระดับเดียกันมาทําตัวเป็นเจ้าเป็นนายขึ้นมา ่เราไม่ต้องไปทําอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อเขาหนูไม่ค่อยไปยุ่งกับใครเพราะว่าหนูจะหันมาทางธรรมอ่ะซึ่งคนเขาก็คิดว่าหนูเพีย้ยนเหมือนเพี้ยนเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพีย <c oughs> เพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนไม่ต้องวดละคนปฏิบัติธรรมนี่เพี้ยนเท่านั้นเหรอพระองค์อาวุธเจ้าพ <c oughs> เพี้ยนไหมเนี่ยทิ้งราชสมบัติไปบวชเนี่ยเพราะว่าเพี้ยนเท่านั้นเหรอแต่เพี้ยนไม่ในทางที่ดีไม่เป็นไรหรอกค่ะหลวงพ่อ เพราะว่าหนูอ่ะออกจากที่พักไปเช้าหนูจะไปดักใส่ถวายทานทุกทุกวันเพราะหนูอธิษฐานว่าหนูขออย่าให้หนูขาดทานแล้วหนูก็รักษาศีลแล้วก็หนูก็มาทำภาวนาตัวเนี้ยคือหนูจะเอาให้ครบแล้วทีนี้นคนคนเขาก็มองว่าทำไมเหมือนตั้งหน้าตั้งตาที่ไปแต่มืดเลยไปรอไปเตรียมหาของไปเตรียมถวายพระอะไรเงี้ยค่หนูพ่อใช่เราเคย เราเราเคยไปพักอยู่ที่บ้บวนออกไปวินตาบานแถวบางลงคโพมีผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะไปทํางานนะเขาก็มาใส่บาตแล้วเขายอมถอดรองเท้านะเท้าเขาใช่เปลือนถอดเสร็จแล้วเวลาเขาจะใส่เขาก็ไปเช็ดเท้าก่อนแล้วใส่ใช่ใช่หนูทําแบบเนี้ยทุกวันเลยหลวงพ่อหนูหนูก็จะถอดรองเท้าถวายทานใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็หนูก็ พอเสร็จหนูก็ไปล้างเท้าแล้วคนเขาก็ดูว่าเป็นอะไรทําไมทําอย่างนี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคุณหลวงพ่อหนูก็ไม่ได้ไปอธิบายอะไรนะเราทาหน้าที่ของผู้ให้ทานผู้ให้ทานก็ต้องยอมลดตัวเองไม่ให้สมกับผู้พระผู้รับท่านของเราค่ะคือต้องถอดรองเท้าพราะท่านไม่ใส่รองเท้าเราเราไม่ใส่รองเท้าค่ะหลวงพ่อคะแล้วบางทีหนูช่วย พักที่ที่ท่านมาบินทบาทนะคะแบบมีคนใส่เยอะมากๆเลยแล้วทีเนี้ยท่านไม่รับก็ไม่ได้ใช่ป่ะคะแล้วท่านก็เหมือนแบบวางของไว้หนูก็บอกว่าให้พระอาจารย์วางไว้เดี๋ยวหนูจะส่เอาหิ้วไปส่งที่ที่คนที่วัดนะ่ะเขาจะมารับอีกทีเนี้ยมันได้ได้ไม่เป็นไรนะไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะหลวงพ่อค่ะนี่ ท่านไม่รับก็ไม่ได้รับแล้วท่านก็หิ้วมาไม่ไหวใช่ค่ะเพราะว่าคือหันมาก็ไม่คือคนเขาใส่แล้วท่านก็คืนแน่นเยอะไปหมดเลยอะค่ะหลวงพ่อที่วัดบาลก็ต้องมีคนคอยถ่ายบาลคอยยิบเอาให้เราเลยถ้าเราถือเองไม่ไหวับบนันเข้าขอใช่เยอะมากเลยค่ะวัดวัดยานค่ะตรงบางลักษ์ค่ะหลวงพ่อบางทีบางทีเน้นด้วยค่ะหลวงพ่อคือหิ้วเนี้ย หนูก็ไปตาม่ิวตามหลังแล้วเสร็จแล้วญาติโยมที่เขามาใส่ก็บอกอ้าวเป็นแม่ของเนนเหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่ไม่ใช่แค่แค่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไม่เป็นไรหราทาได้ค่ะดีโอเคนะเอานที่ก่อนนะสาธุข้าหลวงพ่อขอบพระคุณข่าหลวงพ่อคุณมารีคุณต่อไปคุณพาสนาเิญคุณภาสนา หมอหมอฟันนัมัสยมศึกษารพระอาจารย์แล้วก็จอร์ดีคุณบอลคุณหลานคุณชัยนะคะก็จะมารายงานแล้วก็มีความคืบนั่นด้วยนะคะพระอาจารย์อันแรกกคื อ, รอเรื่องชุดงควัอนะครพระอาจารย์ก็เสาร์ที่แล้วก็เรียบร้อยพระอาจารย์ก็ครุก็คือตัวเองละเรื่องทีฬาเรื่องตาได้แล้วเพราะไม่ดูทีวีเลยตั้งแต่ตั้งแต่เจอพระอาจารย์สามเดือนที่แล้วก็ไม่ดูทีวีแล้วก็ขูก็ไม่ฟังเพลงก็เหลือรถเนี่พระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าชอบกีฬจริงเหมือนขนมเค้กใช่ไหม ก็เลยจับใส่เข้าไปในในทุกที่หมดเลยขเค้กตินก็ข้าวมันจะได้ลดเรื่องลดเนีค่ะหลวงพ่อก็เลยแต่ก็โอเคนะคะก็จริงจก็อร่อยดีเลยร้แปดดีร้อยแปดก็กลับก็จะจบมิตรจะได้ลดลดเรื่องของความชอบไอติมกับขนมเค้กค่ะพระอาจารย์คือจะลดตรงนี้เพราะว่าตากับหูได้แล้วก็เหลือแค่ลดนะแล้วคราวนี้ก็ทําสมาธิค่ะหลวงพ่อก็คือว่ามีความรู้สึกว่าน่าจะก้าวหน้าเพราะว่าทํา ตอนนี้ตื่นตีสามเองเลยนะคะมีวันนึงลืมปลุกตื่นขึ้มนมาเองเพื่อจะมาทําสมาธิแบบดีใจมากเลยเออเริ่มรู้สึกว่าเป็นนิสัยที่ดีแล้วก็ทําสมาธิสองชั่วโมงแล้วก็วิปสัสสนาต่อก็ตอนนี้อันแรกที่เห็นทางโลกก็คือว่าปกติเวรเป็นคนกลัวตุ๊กแกจิ้งจกแล้วก็เกลียดด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนรว่วมรวมโลกกลายเป็นว่าตุ๊ตกแกน่ารักอะว่าจางังงง ตอนนี่มองทุกแกจริงจบน่ารักรู้สึกว่าอื ม, มก็คือโอเคว่ามันมันเหมือนเข้าใจว่าจิตน่ะเหมือนกันแค่ว่าไปจับที่สัตว์เลี้ยงช้าหรือว่าจับที่คนก็เลยรู้สึกว่าเออจริ ง, รงๆเหมือนกันเราต้องสงสารเขามากกว่าเพราะว่าเขาไม่สามารถทําบุญได้พระอาจารย์นี่ก็อาจจะเกิดจากการที่เราเราพิจารณาค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ยังไม่เป็นมหาตติมหาปัญญานะคระอาจารย์แต่ว่ามันค่อนข้างจะเยอะขึ้นเพราะว่า พอตอนเราทําสมาธิเสร็จตอนเช้าเราก็แล้วก็พิจารณาปัญญาต่อแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือจะลุกจะนั่งจะยืนเนี่ยตอนช้าเนี่ยตั้งสติเลยกายกาัตาให้ได้แล้วก็พอตอนระหว่างวันก็พิจารณาเรื่องกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิจารณาตลอดรู้สึกรู้สึกว่ามันง่ายกว่าอย่างที่เรียนพระอาจารย์เอาไว้ก็พยายามตั้งใจทําพระอาจารย์ทําไปเรื่อย ๆ, ๆมันจะยิ่งง่าย<ๆ>ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งง่ายข <อะ S 2> ึ้นไปเรื่อยๆเพอะมันเริ่มเกิดความชํานาญขึ้นแล้วมันแล้ว <ifi. S 1> มันเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นนะอาจารย์พรระหว่างวัน ตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยเป็นนาฬิกาข้อมือเนี่ยก็จะนั่งสมาธิแล้วพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บแล้วก็จะพิจารณาต่อคือนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าระหว่างวันเข้ามันเหมือนนั่งปุ๊บมันก็มันก็เข้ามันก็เข้าได้สงบเลยพระอาจารย์บางทีก็อาจจะนานกว่าห้านาทีเพราะว่าพอมันสงบมันก็อยากจะเผ่าต่อไปค่ะจ้องที่กระดิ่งแล้วก็กันบ้าน การมาที่พระอาจารย์ให้ค่ะก็ไปเสิร์ช g ูเกิลดูวัดนะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าให้ลองไปอยู่ที่วัดนะคะคือจริงๆที่บ้านก็สปะะนะัปเหร่ายแล้วพระอาจารย์เพราะว่าเราสามารถที่จะจัดคือบ้านเราคนอยู่มันไม่ได้คนอยู่เยอะแล้วก็คนก็ไปทํางานไปอะไรเราจะอยู่บ้านสัปเห ร, ระะ่ายแต่ะว่าพระอาจารย์แนะนําก็เลยไปเสิร์ชก็เห็นมีของหลวงพ่อชางมีวัดพาแพงมา้ามีวัดดอนทองที่เราเข้ามาถมแล้วก็วัดมวรก็ว่าจะไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะลองไปเริ่มสามวันแต่พอดีเห็นของวัดยานนะคะพระอาจารย์วัดยาน ที่สมุทรีก็มีใช่ไมพระอาจารย์สามารถจะไปได้ไหมก็สามวันเนี่ยได้เขามีจะลองไปถามดูวันที่เขามีที่พักให้แต่ว่าตอนนี้ยังอ๋ออย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาที่คือยังเขาจะให้ไปอยู่ปเป็นห้องพนะับนะต้องไปหาว่าที่เขาให้เราอยู่โดดเดียววัดที่เป็นกุฏิ<ถ>ต้องไปวัดปฏิบัติใช่มเพราะอาจารย์จะให้หว่าปฏิบัติหรือให้ไปเดิไ ป, าาไปป่าช้าคะถ้าไปในป่าช้าจะได้ไหมหรือว่าจะให้ไปวัดนะคต่เพรอ ต, ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าป่าช้าเนี้ยกล้าไปยังับ คือคือหรือจะให้ไปวัดต่อแล้วค่อยไปปาร์ตี้หลังแล้วแล้วแต่เราเราเราสะดวกทางไหนพร้อมทางไหนก็เอาทางนั้นก็แล้วกันอย่างงั้นก็วัดวัดต่จะได้วัดที่วัดที่จะไปปฏิบัติที่ดีถ้าเป็นวัดที่ครั้งที่เราอยู่ตามลำพังมอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มียวแก้จรกรร ม, มไม่มีกิจกรรมลงบทไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นทมวัดเช้าวัดเย็นอะไรพวกนี้ไม่ให้มีถ้ามีก็อย่าไปดีกว่ถ้ามีก็อยู่บ้านเราเราดีกว่า เดี๋ยวเราจะเราไปดูว่านอนทองมันเข้ามาถมถ้าเกิดว่ามีก็เดี๋ยวอยู่บ้าพราอยู่บ้านนี่พระอาจารย์ยังก่อนจะถามพระอาจารย์ว่าเราเอาเราเอาเต็นท์ไปปักกดหน้าบ้านมันือได้เพราะว่ามันก็เป็นสนามหญ้ามันก็เป็นป่าเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าบ้านก็ได้แล้วก็นอนอยู่ข้างนอกคือสามารถทําได้พระอาจารย์ประมาณนั้นได้อยู่แล้วเราทำอยู่เพราะอยากจะได้เพราะว่าทำตนี้ทดสอบตัวเองถ้าตัดความเด็ดความสุขในในเรื่องปัจจัยสี่ ที่อยู่ <Okay. S 1> อาศัยบางทีมันปลอดภัยมันสบายมันก็ยังไม่เห็นทุกขต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่โคนไม้อยู่ในป่าเี้อยู่แตไม่มีอะไรมางู ม, มาบางังมีภัยรอบน้านมันจะทําให้เกิดมีสติดีขึ้นเพราะพเราเมื่อมีความหวานระเวงมันจะมีคอยระมัดระวัง <Okay. S 1> เวลานอนมันก็จะนอนไม่มาก มันอยู่ที่ปลอดภัยนี่โอ้โมันนอนยาวเลยใช่ไหมแบบทหารเนี่ยมันห า, ท, าที่เขาเข้าสนามรบกเป็นทหาร ท, ที่อยู่ในในในกรมนี้ไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในกรมนี่สบายไม่ต้องระมัดระวังแต่พอออกไปสนามรบนี่ต้องนอนกอดเตียงเลยนะ <Okay. S 1> พอมีเสียงเวลาดนะังปุ๊บนี่มันจะรู้สึกตัว ท, ทันทีอันนี้จะ สถานนรี่ย น, นี้มันเป็นช่วยให้เราตกสติเราให้มันเติอ์นอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บังคับไม่ได้บอกเป็นแต่ชี<อ>้แนะนะว่าอย่าชะล่าใจว่าเราอยู่ในที่ปลอดภัยปฏิบัติแล้วเราคิดว่าเราเราเก่งแล้วเราต้องไปดูในที่ที่มันทุกข์ยากลำบากที่มีภัยรอบด้านเดียที่ว่าเรายังจะเก่งมนตอนที่อยู่เราอยู่ในบ้านหรืเปล่า ยังไม่เก่งเราพระอาจารย์แต่ว่าคือแบบพระอาจารย์แนะนาก็อยากจะไปทำเพราะว่าเราจะได้ทดสอบว่าคือเราก็ไม่ค่อยรู้แบบ่พระาจาย์คือที่ที่ได้มาทั้งหมดนี่คือทําตามที่พระอาจารย์บอกแล้วก็อ่านอ่านกําลังใจของพระอาจารย์ก็ถึงบทที่สี่ร้อยกว่าแล้วค่ะคือมันรู้สึกว่าพอเราอ่านไปทําไปอะ่ะมันมันทําให้เข้าใจมากขึ้นก็เลยอยากทดสอบเหมือนกันคะ่ะพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์แนะนาอะไรก็จะเอาไปดำคืออันนี้ก็คือพระอาจารย์ก็อยากให้ติดถูกในว่าหนึ่งที่อยู่ในชนวลลีนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชานอาจารย์ตานไม่ทราบว่าเคยได้ยินชื่่อัา ว่ารู้สกว่าท่านจะให้ท่านวัดบุญญาวาสว่าท่านเขาจะให้ผู้หญิงไปอยู่ได้ไปจองที่ภาคอยู่เป็นกุฏิหนังๆแล้วก็ให้ปฏิบัติองั้นเดี๋ยวไปดูนาทีเลยพระอาจารย์เขาจะไปว่าไปกราบพระอาจารย์ไปฟังเทศน์พระอาจารย์วันอาทิตย์นี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เลยไปวัดนี้วัดบุญญาวาสแต่วัดบุญยาวายูจออยู่จังหวัดชนมุรีรู้สึกว่า อ่าเภออะไรไม่ทราบอยู่ไม่ไกลจากที่วัดตอาเนี่ยญาติโยมที่มาที่นี่บางทีเขาก็ไปใส่บาทที่วัดท่านก่อนเขาตอนบ่ายเขาก็มาทำที่นี่ก็รู้สึกว่าสอนแนวเดียวกันปฏิบัติกันแนวเดียวกันเพราะถ้าไปอยู่วัดที่สอนคนละแนวมันก็มันก็นาบากสใชกคับอาารจะเอาที่อย่างเดียวนะอาจารย์เพราะว่ากะว่าจะทําตามที่านอาจารย์แนะนําที่ท่านอาจารสอนเพียงสอนแล้วก็จะจะขอแค่ว่าแบบจะได้ฝึกทั้งวันไหมอาจารย์เพราะว่า เราไปดูที่วัดบุญยาว่าดูก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์ปกติก็นอนกับพื้นอยู่นะแต่นี่ก็นอน ต, ตั้งแต่ทำมาสามเดือนก็นอนกับพื้นไม้เลยนะพระอาจารย์นั่งกับพื้นไม้ก็คือพยายามตั้งใจในก <คน S 2> า, ารทำว่าอยู่ไปเยอะแล้วเนี่ยพระคนชื่อพระอาจารย์ตัดวัดบุญยาว่าจังหวัดชลบุรีก็ขึ้นมาได้ค่ะได้เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชาศิษย์หลอชาเลยนะคะ เดี๋ยวลองไปดูเลยพระอาจารย์คโ okay. อเคดีที่สุดใช่ไหเดี๋ยวทําต่อ <Okay. S 2> ก่อนพระอาจารย์ได้โอเ ค, นคเน้นคุณทวิสาเชิญคุณทวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์ได้ทราบว่าโยมได้อดปฏิจัยมาให้ถวายแล้วใช่ไหมศาสุูนะค่ะศาสุูค่ะพระอาจารย์กล่าวนามสกุลพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอะสบายดีจ้ะ คุณหล้าเขาแจ้งมาแล้วแจ้งมาสาธุค่ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณหลาด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ค่ะคือตอนนี้ยมก็ปฏิบัติสติให้เพิ่มมากขึ้นละค่ะฟาจารย์แล้วก็กเช็คตัวเองอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านั้นตัวเองแบบเข้าสมาธิได้ลึกๆได้ แล้วทำไมปีนี้ทั้งปีเข้าไม่ได้เลยทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัตินอนเนื่องมันก็ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าเออเราเราขาดการปฏิบัติเราไม่ติดต่อแล้วเราก็แบบเปลี่ยนพฤติกรรมคือแบบคือทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน<ต>ซึ่งเมื่อก่อน<ม>เราไม่เคยทำซึ่งเมื่อก่อนเรารีดผ้าเราก็รีดผ้ากินข้า ว, วก็กินข้าวคือพอปีที่ผ่านมาทั้งปีเราเอ๊ะกินข้าวไปคนเดียวก็ ดูไอแพดไปรีบภาพไปก็เปิดทีวีไปฟังเท่คือคือคือฟังเท่ด้วยแต่ก็ยังทำกิจกรรมอื่นใจแตกก็เลยใจแตกใช่ค่ะก็เลยว่าเออใช้ตัวเองเอ๊ะทำไมเราเข้าไม่ได้เราก็เลยว่าโอ้ทีนี้รู้แล้วตอนนี้ก็เลยตอนนี้กําลังเริ่มปรับปรุงตัวเองค่ะแล้วก็ให้ใจเป็นหนึ่งทำให้ใจเป็นหนึ่งให้อยู่กับเรื่องเดียวทําอะไรก็อยู่กับอะไรทำเวลานั่งสมาธิมันก็จะเข้าได้ง่ายค่ะก็เลยคิดว่าสงสัย ไม่ใช่สงสัยแต่แน่แหละคือมันเป็นเพราะเมื่อก่อนเราไม่เออเราเมื่อก่อนเราเราทําไมเราทําได้ทําไมตอนนี้เรามันเข้าลึกไม่ได้มันแบบมันมันเข้าได้แต่มันไม่เรื่องแตามันแค่แบบว่าก็สมาธิถ้าเราไม่ค่อยทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เสื่อมได้ค่ะเห็นพอทําแล้วมันจะต้องรักษามันพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าไม่รักษามันเดี๋ยวมันก็พอจะกลับมาเข้าใหม่เข้าไม่ได้แลค่ะตอนนี้ก็ ปรับปรุงแก้ไขค่ะแล้วก็ทําไปาส่วนเรื่องวินัยก็ปฏิบัติทุกวันได้ถทงนี้แตเเเ่เหลือเหลือเรื่องเรื่องนี้ค่ะที่กำลังตอนนี้ก็เริ่มเริ่มใหม่คื อ, อ, อต้องทั้งปฏิบัติทั้งละกิเลส ด, ด้วยกิเลสก็ต้องละอทําก็ต้องปฏิบัติทำท<ะ>ั้งสองอย่างมันจะช่วยช่วยสนับสนุนกันค่ะความสุขทางตาทองจมูกนิ้วกายพยายามลดให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆ ดูอะไรกินอะไรเดิมอะไรให้มันน้อยลงถ้ามันไม่จําเป็นก็อย่าไปดูไปฟังไปเดิมไปกิน <Okay. S 1> กินเนก็กินเพื่อเลี้ยงร่างกายอย่าไปเลี้ยงกิเลสคือความอยาก <Okay. S 1> อยากได้รูปดรดเสียงกินรดเนี่ย <Okay. S 1> เพราะยิ่งเลี้ยงกิเลสมันก็ยิ่งมาขัดความจเจริญทางธรรมนั่นแหละเสี่ยเจริญทางธรรมก็้งลดกิเลสด้วยแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปด้วย มนันจะก้าวนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องจะต้องไปจะ ต, ต้องทําอะไรเงี้ยเราก็แบบก็ได้ถ้ามันไม่มาจากความอยากของเราก็ไม่เป็นไรแตายังอยู่ในโลกอยู่ยังถูกเหตุการณ์ทางสังคมอาจจะบังคับให้ต้องไปก็ไปกับเขาแต่เราก็อพยายามอกินให้น้อยๆอะไรให้น้อยๆถ้าจะพยายากินอ กินพอไม่ให้เสียมารยาทอะไรของเราเนะี่ยอย่าไปเมามาาาันกับการดื่มการกินบางบางครั้งก็จเจริญ่นในอาหารเหมือนกันค่ะเพ้อไปเหมือนกันคืออืมอร่อยแต่ต้องบอกว่าความสุขของเราเดี๋ยนี้ไม่ได้อยู่ที่ลิ้นแลวความสุขของเราอยู่ที่สมาธิถ้าเราความสุขทางลิ้นมันก็จะมาขัดมาขวางความสุขทางสมาธิ ข่าพระจางพยายามค่ะจะปรับปรุงใหม่ค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีค่ะมีแค่นี้ค่ะพระจางค่ะขอบคุณพระจางมากค่ะวันนี้ไม่ไปเปิดร้านเลยเออโยมก็เลยว่าจะทําทุกวันพุธเป็นวันเป็นวันพุธเออเป็นวันพระของโยมด้วยค่ะด้วยปิดร้านวันพระวันวันพุธเลยใช่ค่ะปิดร้านวันพุธเลยแล้วก็ พอดีสารอาทิตก็เลยพยายามจะลดลงเรื่อยๆค่ะก็แต่ว่าให้อยู่แบบเออยังพอมีอะไรทําบ้างนะคะ่ะแต่บางครั้งโยมก็คิดว่าเวลาโยมทํางานนะคะท่านก็รู้สึกได้สติดีค่ะเพราะว่าเวลาจะทํางานเราจะเราเราจะจดจ่ออยู่กับการทํางานของเรานะคะในการนวดในการอะไรอย่างนี้แล้วค่ะแล้วอีกอย่างมันก็ดีดีเหมือนกันคือแบบเราก็จะมี คนหนุ่มคนแก่คนสาวเราก็เคยเห็นเห็นเห็นเขาเรียกอะไรคะเห็นภายนอกเขาว่ามันความันเปลี่ยนไปมันเออมันไม่เหมือนกันเออมันก็ก็ทําให้เราแบบว่าเออแบบเห็นอะไรมากขึ้นนะคือแบบว่าพิจารณาว่าเออสังขารมันไม่เที่ยงออมีปัญญาเห็นความไม่ะท่ยงดีโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าอยากจะถามเดี๋ยวรอรอบสองนะถ้าอยากจะถามอะไรก็ได้ค่ะ การเขาก็พึ่งข้าคุณเอกจย่เชิยงรายเชิญคุณเ อ, อณกการรมรสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างอ๋ออาทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ก็ยังเพียปรปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมอฮะแต่ก็ยังติดอยู่ที่เวทนานะครับอาจารย์เติร์ีสามอยู่เหมือนเดิมเลย ที่สี่ครับพระอาจารย์ที่สี่ถึงเอ mm ่อหกโมงอะฮะแล้วก็มันคือตี่สี่ออกมาปฏิบัติก็มันประมาณมันทนไม่ไหวประมาณสักห้าโมงสี่สิบห้าห้าโมงห้าสี่ะพระอาจารย์เพราะว่าเวทนามันปวดที่ขาพระอาจารย์ก็พยายามแล้วสู้สู้ไงก็ไม่ค่อยไหวครับจะไปสู้จะเวลาปวดทำพุทโธไอเลื่อส่วนมันไปอืมครับจะไม่สนใจ พยายามทำใจให้มันลืมถ้ามันอยู่กับสวดมนต์อยู่กับพุทโธแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกสบายขึ้นมาอืมเราพิจนาจะไม่มารบกวนใจถ้าใจเราคอยไปสู้มันมันยิ่งทรมานใหญ่อออย่าไปสู้พยายามลืมมันหาเรื่องทําเพื่อจะได้ลืมมันเหมือนเวลาดูหนังดีๆนี่ปวดท้องฉี่ยังไม่ยอมลุกเลยะลืมมันดูได้ข้าม ไม่ว่าตั้เล่นไพ่ในปวดท้องฉี่บางทีก็ไม่อยากจะลุกมันมันติดพันเงาค่อยน้ำเกลืออจิังไปผูกพันกับอะไรแล้วเร้อืนมันไม่สนใจนะก็ต้องหาเรื่องให้มันทาอย่าให้มันนั่งเฉยให้มันสวดในทีปิโสก็ก็ว่าทำสมาธิพุทโธวิจารณาสัมปันโนสวดไปแล้วพุทโทไปอย่าให้มันไปคิดถึงความปวดความเจ็บแล้วเดี๋ยว ครับเจ็บควปวดมันจะไม่เข้ามาในใจเราเพราะมันเรื่องของกายครับผมครับใจเราก็จะไม่รู้สึกปวดไปกับความปวดของร่างกายอืมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าใจมันมันยังรู้สึกไงมันยังรู้สึกว่า่ีก็มันไปดูมันยังไม่ก็มันไปดูอยู่นั่นนะยิ่งไปดูมันก็ยังรู้สึกใหญย่าไปดูมันอยิ่งสนใจมันยิ่มดึงใจออกจากร่างกายดึงใจออกจากเวทนา แห้มายู่กับพุทโธให้มายู่กับบทส่วนบนแทนข้ามอ๋อข้าผุมข้าผุมลองทําดูรับรองได้หรือผมน้อมไปปฏิบัติพระพันธ์ยาน5นาที10นาทีมันก็ปึ่มมันขาดปึงไปเลยก็มีเมธนาหลึกไปเลยหายไปเลยก็มีก็ผมอืมครับผมก็ผมผมเคยกลับเรียนพระอาจารย์ว่ามันเคยเกิดมาแล้วก็ มันข้ามไปแล้วผมผมก็คิดว่าเออมันเกิดขึ้นเราจะข้ามได้อีกมันไม่ได้เราทำมันต้องทําทุกครั้งไปเพราะว่านี่คือสมาธิมันมันข้ามแบบชวั่วครั้งช่วคราวถ้าจะข้ามด้วยปัญญาต้องถ้าจะข้ามอย่างถาวรต้องด้วยปัญญาครับผมครับผมปัญญาก็มองว่ามันเหมือนฝนตกดันออกเวันมันตกไปอยู่กับมันไปอย่าไปหยาดนี้อยากมันไปนั่นเองอือย่าไปหยาดให้มันหาย นี่ปัญญามันเป็นความเจ็บกป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนฝนตกเนี่ยหรมถ้าันตกเราก็ต้องอยู่กับมันเพราะเราห้ามฝนไม่ได้ใช่ไหมห้ามแดดไม่ได้แล้วกาห้ามเวทนาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอืมครับครับพอใจยอมรับปั๊บมันก็ทีนี้มันจะไม่มีความมันจะไม่มีความทุกข์กับเวทนาแล้วมันจะเจ็บเป็นไงก็อยู่กับมันได้อครับ แต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็เอาพุทโธไปก่อนชดมนไปก่อนครับเอาสมาธิไปก่อนนะครับเอาสติช่วยก่อนเอาสติสมาธิไปก่อนครับผมครับผมต่อไปนอสติเอาสติเป็นสมาธิแล้วจะมีกําลังสอนใจให้มองว่ามันเป็นดินน้าลมไฟเป็นดูฟ้าเก่าเป็นอนัตตาครับผมนี่มนแ้วมันนี้มันเดี๋ยวมันก็ตามไปนันอยู่กับมันดีกว่าหัดอยู่กับมันดีกว่า เรือคนที่เราเกลียดพอเราอยู่ไปเจอแล้วเราต้องอยู่กับคนเกลียดเนี่โอ๊ยรู้สึกทุกข์เล้วกินอยากจะหนีอยากเข้าไปข้ามแต่ถ้าเราถ้าคนคนเดียวกันเกิดถ้าเราไม่เกลียดเขาเราก็อยู่กับเขาได้ใช่ไหมมันอยู่ที่เราเนาะพี่ไปเกลียดเขาเองเราก็อยากไปเกลียดเขาเองหัดรักเขาหัดชอบเขาไปหัดหัดชอบวิธนาไปหัดชอบทุกขก็เมตนาไปครับผม มันมันเป็นเหมือนอาจารย์เลยนะครับมามาไม่วิทนานี่ยมาทั้งสองเลยมาลองทํำดูถ้าอยังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สมาธิไปก่อนใช้สติยรไปก่อนครับผมครับผมน้องผมน้องไปปฏิบัติครับอาจารย์กับผมพูนพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับดี๋ยวไงสัปดาห์หน้าผมมาในงานต่อครับพระอาจารย์เราไปปฏิบัติครับอครับผมอาจารย์ใช้ที่ย์จากมหาสารคามเชิญ การเปิดช้อนเรียนได้ยังอ่าตอนนี้เป็นออนไลน์ค่ะแต่ละครกาลังเป็นพื้นที่ตื่นเต้นค่ะตอนนี้มีโควิดโควิดกำลังกําลังอระบาดค่ะตอนนี้สิบแปดลายแล้วมั้งคะค่ะช่วงนี้ก็เลยเป็นเรียนออนไลน์ค่ะส่วนหนูก็ work from home หนีโควิดมาอยู่ขอนแก่นค่ะยังสอนได้เหมือนเดิม ได้คะ่ะแล้วก็มีประชุมหรือเอคุยงานออนไลน์ค่ะแต่ว่าถ้านิสิตบางคนที่เขาอยู่ขอนแก่นแล้วก็นัดมาเจอที่ขอนแก่นค่ะเพราะเราไม่อยากให้เขาไปที่สารคามถ้าเป็นพอโทอะไรเงี้ยค่ะอะที่ต้องต้องคุยแบบให้เห็นหน้าแล้วก็คุยกันที่มันออนไลน์แล้วมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะที่มาขอนแก่นเนออะไรนะคะที่ที่มาของแก่นเลย ไม่ค่ะหนูอยู่บ้านที่ขอนแก่นอาจจะนัดเจอนอกสถานที่น้องเขาอาจจะเป็นเภสัชกรแล้วมาเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะเป็นปโทแล้วก็เรียนวิจัยอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าเชื่อมมหาวิทยาลัยทรคาเชื่อมมหาไม่ได้เชื่อมกไม่ค่ะอันนี้ก็คือลูกศิษย์ของมอสารคามค่ะแต่ว่าเหมือนเขาเรียนเป็นนอกเวลาค่ะสวกร์ทิต์เป็นนิสิตปโทค่ะแล้วก็บางคนที่ ที่จําเป็นที่ต้องให้มาพบ <lawsuit. S 2> อะไรเงี้ <aren> ยค่ะงานมันงานมันยากต้องคุยกันก็ก็นัดมาเจอกันค่ะค่ะประมานนี้ค่ะอนนี้มีอะไรไหมเออหนูมีรายงานการปฏิบัตินิดหน่อยค่ะคือบางวันเรารู้สึกว่าเราอยากนั่งสมาธิทั้งวันเลยค่ะพอนั่งสมาธิเยอะๆงานวิชาการเราก็จะจะกองกองไว้อีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็พองานวิชาการมันหนักอีกวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกเหนื่อยมากคราวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าไม่ยอมนั่งสมาธิแล้วก็เลยเออเอาไงดีหน้าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันไม่ไม่บาลานซ์กันก็ต้องก็ต้องต้องใช้วินัยนิดหน่อยใช้เหตุผลว่างานก็ต้องทําว่าพณาก็ต้องทํำอันไหนมันมาก่อนเราเราก็ต้องทํามันก่อนอันไหนสําคัญกว่าในตอนนี้ก็คือการงานสําคัญกว่า่็ ต้องให้มันเป็นตัวนําไปก่อนนะพอเวลาว่างเราก็ค่อยมาทํางานทางธรรมต่อ <c oughs> นอกจากว่าถ้าเราต้องการงานทางธรรมนำหน้าแล้วก็ไม่ไปสนใจงานทางทางวิชาการ <c oughs> ดีไม่ดีก็ล้าออกไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ในอนาคตค่ะ <c oughs> อะทีนี้หนูมีมีข้อสงสัยค่ะก็คือเวลาที่เรานั่งสมาธิตอนนี้คือมันจะไม่มี พาว่าเหมือนที่ที่เคยรายงานพระอาจารย์ค่ะมันก็คือคื อ, คอนั่งส ง, งบไปเรื่อยๆอ่าพอคำว่าส ง, งบบางทีมันดูเหมือนเคลิมเคลิมแบบเหมือนมันเคลิ้มเคลิมะค่ะแต่ว่าไม่ได้หลับแต่ว่าตัวเราก็ยังรู้สึกว่าเรานั่งตัวตรงไม่ปวดแต่ว่าก็ดูแบบเหมือนเหมือนงงมันสงบมันมันเหมือนจะว่ว่างก็ไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอย่างนี้ทาถูกไหมคะ่ะมันมันเป็นเหมือนกึง่ง กึ่งจะไปใกล้ๆหลับแต่ว่ามไม่ได้หลับค่ะสติกำลังใกล้จะหมดเหมือนเพียนใกล้จะหมด <c oughs> คือไม่ดีใช่ไหมคะเกินไปก <c oughs> ็มันจะเริ่มแล้วแหละถ้าทางที่ดีก็ลุกขึ้นมาเดินต่อก็ได้อ๋อหนม หนูไม่ค่อยเดินจงกรมเลยค่ะจะเดินจงกรมทีไรเดินมานั่งสมาธิทุกทีเลยค่ะจะเดินจงกรมไต่ๆแป๊บหนึ่งนั่งสมาธิเลยเรายืนสมาธิดูก็ได้ถ้ามันจะลับน้องลุกขึ้นมายืนเดินแทนแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องเดินก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเดินไม่ได้ยืนก็ได้อืเพื่อไม่ให้มันหลับเดิค่ะอาจจะด้วยเป็นเพราะว่าอาจจะอยู่ในห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพื้นที่มันไม่ได้กว้าง เดินใกล้ๆก็เลยรู้สึกใจมันเหมือนไม่อยากเดินงั้นนั่งสมาธิดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอ่าใช่ค่ะงั้นก็เดี๋ยวจะลองลองวันหลังจะลองยืนแต่ถ้านั่งมันจะเคลิมก่อนนั่งไปมันก็ไม่เดี๋ยวมันก็หลับค้านั่มอ่นอืมนั่นก็คือไม่ใช่สมาธิใช่ไหมคะแก่เคลึ้มๆอ่าอืมก็มันยังเป็นเกื้อสมาธิอยู่เกื้อสมาธิเกื้อหลับอยู่อืมค่ะแต่มันใกล้จะหลับแล้ว มันไปทางที่เครื่มากกว่านะคะไม่ใช่ทางสงบเหมืนเทียมันเริ่มจะค่อยๆหมดแล้วเนี่ก็ดับเยอะแล้วก็แล้วก็ไม่ไหวแล้วค่ะอีกอันนึงที่อยากเรียนถามพระอาจารย์คือเวลาที่เราเหมือนแบบไม่ได้นั่งสมาธิค่ะแต่ว่านั่งทํางานหรือว่านั่งสงบสงบสักแปบเราจะรู้สึกถึงหัวใจอะค่ะที่มันเต้นตุ๊บตุ๊ตุ๊แล้วก็เหมือน เอ่อเลือดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเส้นเลือดมันมันเต้นนี่คือไม่น้อ ง, ปงไปสนใจมันเป็นเป็นความสติเราเวลามันอยู่กับความสงบแล้วมันใจได้ยินได้เห็นอะไรชัดขึ้นค<า>่ะก็ให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรกับมันรู้แล้วก็ปล่อยอวางแล้วก็กลับมาทาํางานของเราต่อ อืมค่ะก็คือไม่ต้องสนใจมันก็คือเหมือนแบบโอเคว่ามันมันสงบแต่ว่าดึงดึงตัวเองกลับมาไม่ต้องสนใจอาการนั้นให้ทําภารกิจของเราต่อมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้มันเพราะเวลาที่จิตเราไม่สงบเราก็มัวแต่ไปสนใจเอาเรื่องนั้มันก็เลยไม่ได้มารับรู้เรื่องนี้แต่ตอนเรามานั่งเฉยๆมันไม่รู้มันไม่ไปรับรู้เรื่องเะไรมันก็เลยมารับรู้เรื่องนี้เข้าต่นั้นเองค่ะไม่มีปัญหาถ้ายังหายใจได้อยู่ยังไม่เจ็บปวดตรงไหนก็ถือว่าเป็นปกติทุกอย่าง เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะรไม่ต้องไปสนใจมันเราไม่ได้นั่งเพื่อมากว้ามันกับเรื่องราวเหล่านี้เรานั่งเพื่อมาทำใจให้ปล่อยว่างให้สงบค่ะก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้ต้องไม่ได้ทำงานก็มานั่งสมาธิต่อก็น่าจะดีใช่ไหมคะเหมือนมันมันจะสงบแล้วไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรข้างนอกใช่ดีกว่าไปทำอะไรอยงอื่นอื ไยหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมาหาความสุขทางสมาธิดีกว่าค่ะก็มีที่เรียนถามพระอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะโอเคสาธุค่ะสาธุข้อไปที่คุณอ้อมต่อคุณอ้อมเชิญอยู่ที่ไหนคุณอ้อมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์บัววินค่ะบววินอมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะเงิฟังไปค่ะนะโอเค เห็คนคุณาริศตอบวริโอวริศกรทามุนมาใช่ไหมได้ได้ทราบกล่าวว่ามุทนาสาธุก็สอบถามหลวงพอ่อว่าถ้าช่วงไหนแบบเป็นหวัดมากๆแล้วนั่งสมาธิมันต้องแบบจมูกตันจมูกตันอย่างนี้คนททำยังไงดีครับใช้พุโทโธแทนใช้พุโทโธแทนไม่ต้องใช้ล ม, มหรือนับตาแล้วใช้นึกถึงภาพ พระพุทธรูปก็ได้หรืออะไรใช้ถ้าไม่ได้ก็ใช้พุทธโธพุทธโธไปหรืออาการสามสิบสองไปก็ได้คือพิจารณาหรือเพ่งท่องชื่อไปเฉยผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยท่องไป อนโุโลมกับปฏิโลมปฏิโลมก็เป็นท่องถอยหลังพอถึงอาการที่สารติดใจแล้วก็เริ่มท่องถอยกลับมามันจะได้มีสติท่นก่อนผมนั่งสมาธิดูแล้วท่องว่าเออต้องแบบเปลี่ยนจากพุตโธเป็ น, ก า, น, า ก, านากายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายจิตนี้ไม่ของเราก็้พุดธอะไรกายนี้ไม่ของเราเราไม่ใช่กายอะไรขอยู่หยุ่นยัง ม, ไมีไปได้ไหมก็ทำได้ได้ก แต่มันจะไม่สงกเท่ากันดูกลายนี้ไม่ถึงถ้าดูที่ปลายจะสงบไม่ได้ดูที่หน้าท้องหน้เ ป, ปล่าเวลาดูหน้าท้องเวลามันยุบหนอพองหน่อก็ได้ไม่ใช่หลวงพ่อบอกคขขอกกไุไม่หาความสุขทางกายแล้วการอีกทั้งสานี่เป็นหาความแต่ว่าความสุขทางกายเหมือนกันเขาเหลืองไม่ใช่ อ, อ๋อไม่เป็นการรักษา่างกายเป็นการรักษาให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรียกว่าเป็นทาง ทางการแพทย์ไม่ใช่เป็นทางทางทางเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นการรักษาสุขภาพร่างกายออกกำลังกายได้สำหรับภาพก็เดินจงกรมเดินมินดาบานี้ก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยเงินแล้วก็ดีใจได้ทําบุญเออทำบุญง่ายดียังไงสมัยนี้ทำบุญกับ ที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าทําบุญกับพระคือให้เราอยู่ต่ากับพระคือไม่ใส่รองเท้าแล้วแบบนี้ถ้าทําบุญคือทําบุญกับพระนี่เวลาใส่บาทรทั้งนั้นเวลาใส่บาทเวลาใส่บาทรบินบาทรธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมนาใส่บาทถ้าโยมต้องถอดรองเท้าเพราะพระท่านไม่ได้ใส่รองเท้าหลวงตาหมาบัวท่านเคยพูดเคยบอกคนใส่รองเท้าเวลาใส่บาตรว่าเอออ ตีนเปื้อนล้างง่ายนะแต่ใจเปื้อนมันล้างยากนะเห็นไหมคนถือตัวบางิีกลัวถือตัวกลัวเท้าจะสกปรกเลยไม่ยอมถอดรองเท้าใส่บานตรแต่ตะย้อนเดบเาา่าตีนเปื้อนมันล้างง่ายนะแต่ใจเปื้อนนี่มันล้างยากเห็นไหมใจคือมีมีทิฏฐิยังถือตัวถืออะไรอยู่ไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่ไม่ถอมตนให้กับพระอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีคนหนึ่งบอกคุยกับหลวงพ่อว่าเออที่หลวงพ่อกมันคือการมาคุณเออเลยนึกผมนึ่ถึงสัตว์สัตต์มันก็มีการแล้วทําหมันเออการมันหมดเลยเหรอครับหลวงพ่อไม่มันเพียงแต่ไม่ไม่ไม่ไม่มีการให้กําเนิดเท่การมันก็ยังมีเหมือนเดิมคือแบบหมาปกติถ้าถ้าไม่ไปตอนมันไม่ทําหมันมันจะแบบ จะติดสัตว์นี้ครับแต่พอทําหมันปั๊บมันดูสงบเรียบร้อยเลยที่เลี้ยงชิ้นนี่ยมันมันติดเหมือนกันมันติดเหมือนกันนั่นแหละมันไม่การมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอจยถ้าหมอจะให้ผมลงไปตอนดูแล้วเพื่อพิสูจน์ไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกเชื่อเราเถิดแล้วบอกมันตอนยังไงตัดแต่ัดได้จูทิ้งไปมันก็ยังมีการบานลมอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้บอกที่จะจูแล้ว มันอยู่ที่ใจพอไ <c oughs> ปเห็นภาพที่เรารักเราชอบมันก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วเราแการต้องต้องตอนมันด้วยอสุภะใจนี้นต้องตอนด้วยอสุภะต้องดูซากศพเห็นใครสวยๆงามๆล้วนึกเถิดก็เวลาเขาเป็นซากศพเนี่ยที่เรียนมาเด็กๆโรงเรียนจะบอกอ๋อเพราะฮอร์โมอนจากอะไรอันทะทาให้สมองออมันเป็นพวกเดาทวนั้นนะ่ะมันไม่รู้จริงเหมือนเขาพูดจะเจ้าหรือ โอเคนะอาจารุ์ที่คนพิพิดาตอนนี้อยู่ที่ไหนกลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพแอ้วนะกลับนามัสการกรับอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพค่ะค่ะอะไรไหมวันนี้ค่ะหนูก็ตอนนี้พอกลับมาอยู่บ้านมันก็ปฏิบัติได้ไม่ ไม่ต่อเนื่องเข้าเหมือนกับตอนที่อยู่วัดนะคะแต่ก็พยายามทําสติระหว่างวันแล้วก็ยังนั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันก็สู้ตอนที่อยู่ที่วัดไม่ได้ค่ะแต่ก็พยายามทำเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันถ้าไปอยู่วัดต่อได้ก็กลับไปต่อค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะกลับไปที่เวอร์จิเนียประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะถึงเวลาต้องกลับไปแล้วเลยใช่ค่ะอาจารย์ แต่ก็ก็ดีใจที่เห็นว่าตอนนี้พระอาจารย์กลับมาเทศที่น่ากุติได้ค่ะตอนนี้ก็พยายาม<ะ>จัดเวลากับที่บ้านว่าจ ะ, ะจะไปกราบพระอาจารย์ค่ะได้ช่วงนี้บัดีชม้นบัณฑิตเขาปลอดเชื้อแล้วเขาก็เลยให้เป็นสีชส้มแล้วมาก่อนเป็นสีแดงค่ะค่ะ <c oughs> ก็เลยให้มีการชุมนุมกันได้แต่ก็ยังต้องระมัด<ะ>ระวังกันต้องใส่หน้ากากต้องนั่งหา<ะ>่าง<ะ>กันไงค่ะ แล้วกลับไปอเมริกานี่ตอนนี้ไปได้สบายแล้วใช่ไหมก็ไม่มีห้ามเลยนะค่ะเขาก็มีแค่ให้ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องไปค่ะอ่าถ้าได้ปกติก็โอเคค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปกักตัวที่บ้านเอาค่ะอถ้ามีก็ไม่ให้ไปแต่ต้องไปกักตัวที่บ้านนี้หรือเปล่าถ้าถ้าถ้ามีก็ไม่ให้ไปไม่ให้เลยเลยค่ะถ้าไม่มีก็ยังต้องไปกักตัว ก็จริงๆเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นค่ะมันขึ้นขึ้นอยู่กับบัตร ด, ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับอย่างหนูหนูไม่แน่ใจว่าที่หนูอยู่เขาแค่แบบเอขอความร่วมมืออะไรเง okay. ี้ย okay. ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่มีอะไรนะวันนี้ค่ะพระอาจารย์กับขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะคุณแก้วตาแก้วเป็นยังไงหายหน้าไปหลายอาทิตย์เนี่ยไปเมาไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่มมา ไม่เจ้าค่ะพยายามประคองจิตเพราะว่าก็ยังเครียดเครียดเรื่องโควิดแต่เจ้าค่ะก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ก็ความที่มีปัญหาเรื่องจิตตเวสก็ก็ต้องประคองจิตเอาไว้อ่ะเจ้าค่ะเอใช้พุทโธนะทำใจหยุดคิดอย่าไปคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดก็รอบสองดีกว่ารอบแรกเจ้าค่ะเพราะว่าพอทําใจได้ก็ ลดราคาตอนนี้ก็เลยได้เด็กที่เขามาฝึกงานมาอยู่เจ้าค่ะก็เลยพอมีรายได้เข้ามาบ้างอก็ช่วยกันอย่าไปเอาเต็มร้อยเลยเขาก็ลําบากเราก็ช่วยกันสองหมื่นห้าเจ้าค่ะสองหมืนห้าเหลือหกพันเจ้าค่ะออก็เท่าทาบุญกกันถ้าได้มากก็มาทำบุญอยู่ดีใช่มเ้าค่ะคุณแม่ก็คุณแม่ก็ทำบุญก็เลยวัด วันนี้อยากกราบขออนุญาตถวายสังฆทานพระอาจารย์ย้อนหลังอเจ้ารย์ค ะ, ะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์คุณแม่เอฝากคุณติ๋มไปถวายสังฆทานพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้หมอติ๋มใช่ไหมหมอติ๋มเลยติ๋มที่อยู่ทีค่คุ ณ, ค, ณคุณติ๋มคุณติ๋มที่ที่ทํากับข้าวให้ที่วัดแต่เจ้าค่ะอ่า้าไปถวายแล้วใชมไหมเมื่อเมืม่อ ค่ะค่ะคุณติมเขาถ่ายรูปส่งมาให้ดูแล้วถวายยาสีฟันแปรงสีฟันกาแฟพวกเนี้เจ้ค่ะพรอาจารย์บางทีเราจะนึกไม่ออกว่าใครใครฝากมาเขาบอกออสาติมสาตุสาตุกราบกอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะทีนี้พอดีโชคดีมากๆเลยที่จะมากราบถวายสังฆทานพระอาจารย์ก็เลยได้ฟังที่พระอาจารย์สอนคนก่อนหน้าว่า อย่าไปยึดติดกับความสุขคือแก้วเผอว่าถ้าเรามีเงินชาตินี้เราเกิดมามีเงินแล้วเราไม่ทานของดีๆไม่เที่ยวที่ดีๆตายไปก็เอาไปไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะคิ ด, <c oughs> ค, ดคิดอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เพราะมันเป็นของเป็นความสุขเดียวเดียวท่านเองนเป็นวัญญาเสถียรเราจะต้องหามันอยู่เรื่อ ย, อยถ้าเวลาที่เราไม่ได้ท เ, ไไดเที่ยวไม่ได้กินไม่ได้ดื่ม มันเราจะเครียดเราจะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราทําบุญนี้เราจะไม่เครียดทําบุญนล<ม>้วใจเราจะอิ่มใจเราจะสึขแล้วเอาติดตัวไปกับเราได้ก็คือ <c oughs> ถ้าถ้าเรามีเงินเราก็ควรจะเอาเงินไปทําบุญมากกว่าที่ที่จะเอาไปใช้<ม>ใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพราะบุญจะให้ความอิ่มใจสุขใจไปกับเราแต<ม>ถ้าไปกินไปเที่ยวไปเหน่อยมันจะเอาความเครียดไปกับเรา<ม><ม>ความเศร้าไปกับเรา<ม><ม>เวลาเราไม่เลย บางบางทีคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ใช้ก็เหมือนกับเราไม่มีวาสนามีเงินแต่ไม่ได้ใช้ของดีอ่ามันเป็นความเป็นความคิดของที่เลนเนี่ยค่ะมันอยากได้ของดีๆแต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเป็นยาเสพติดที่ดีเสพแล้วสนะกเดะค่ะต้องกินของดีๆเรื่อยๆเอาไปไหนไม่ได้กินของดีก็ทุกข์แล้วเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็ร้อนลนเพราะว่าพอเป็นช่วงพอเป็นช่วงโควิดโรงแรมที่เคยคืนละหมื่นก็เหลือพันเก้าก็รู้สึกว่าถ้าไม่ไปก็เสียโอกาสแล้วก็ร้านอาหารเชฟโรงแรมสี่ดาวห้าดาวเคยขายจานละเจ็ดแปดร้อยตอนนี้ก็ขายเจ็ดสิบาทอะไรเงี้ยเจ้าก็เลยรู้สึกว่านาทีทองตอนยี้มันก็เป็นขี้เหมือนกันนะะาต้องคิดด้วยปัญญา ใช่ไนัไปมื่อาการเป็นขี้กินกันน่แลยรู้สึกว่าอูร้อนใจว่าแบบภูเก็ตก็อยากไปพังงาก็อยากไปคือละหมื่นกว่าได้ไปแค่ราคาพันเก้าถ้าั้งหมดช่วงนี้ไปแบบกลับมาเหตุการณ์ปกติก็ก็ไม่ได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ร้อนใจแบบเสียดายว่าเราเสียโอกาสไม่ไม่ทำไมเราถึงไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ก็ตามใจแต่ต้องคิดถึงเวลาที่ไม่ได้ไปเราจะทำไงต่อไปเกิดที่กบพิการแก่แล้วหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดไปไหนไม่ได้น่าจะทํำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าหาเรื่องหาเรื่องไม่เข้าท่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆแบบจะไปเสี่ยงติดโควิดทําไมอะไรอย่างเงี้ยแค่เห็นแก่ของถูกอความสุขทางตาหูจมูกเส้การมันต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ ความเจ้ า, า, หาไหนร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์นี่ก็ไปไม่ได้ทําไม่ได้นะถ้าไปก็นเราก็ต้องแก่เหมือนแม่เราก็ไปไหนได้แบบตอนนั้นอยู่บ้านก็เครียดไม่ได้ออกไปเขาโฆษณาลดราคาดีขนาดนั้นก็ไปไม่ได้แล้วทีนี้เจ้าค่ะพยายามเลิกดีกว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดสาธุเจ้าค่ะจะพยายามเลิกเจ้าค่ะ เ, เ, เอาเงินมาทมําบุญดีกว่า แล้วใจจะอิ่มใจจะสบายแล้วต่อไปจะไม่มีความตึงเต้นดีใจกับการรุ่นแรกจากถามของโรงแรมของอะไรพวกนี้หรอกเจ้าค่ะกลับนมัสการกลับขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคคุณปรุดาจากสตีฮิบชนบุรีเป็นยังไงนมัสการค่ะสบายดีเจ้าค่ะยังหมดอาหารอยู่ก็ว่ากัน เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะไปที่วัดค่ะอ่าไปวัดไปวันที่วัดนะค่ะคร า, าวที่แล้วคราวที่แล้วห้าวันครั้งที่แล้เจ็ดวันนะค่ะเจ็ดวันค่ะ <laughs> ช่วงากกาสิ้นเดือนค่ะกาจะไม่กินทั้งเจ็ดวันเลยนะครั้ที่แล้วได้เจ็วันค่ะครั้ที่แล้วได้เจ็ดวันนะใโอเคครั้นี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงค่ะครับเพราะว่าแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ก็มันก็ไม่นับแต่อารมณ์ของจิตลองดูนะคะถ้าอดได้ก็ดีอดแล้วก็จะได้ขยันภาวนาใช่ไหมค่ะอะไรย์อาจารย์คะถ้าเหมือนหนูเคยนั่งสมาธินานแล้วค่ะแล้วแบบมันสงบไปแล้วแล้วมันถอนขึ้นมาแล้วทีเนี้ยมันเห็นเห็นคนที่เขาที่เราแบบไม่ชอบแต่ว่า พอเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นผมผมเขาหลุดออกขนเล็บฟันหนังค่อยๆหลุดออกแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วก็ร่วงไปกองแต่แล้วก็เราก็เห็นแลเราก็เป็นเหมือนกันแต่นะค่ะแต่ว่าแต่ผมก็ผมเราก็หลุดองไปเหมือนกันเหลือแต่กระดูกก็ลงไปกองเหมือนกันแบเ น, นี้ค่ะแล้วทนนีนี้ก็ดีก็ดีทีนี้ก็ดีแล้วทีนี้พอพอมันเริ่มคิดเป็นเรื่องอื่นว่าพุธโธต่ อ, อ ค่ะแล้วพอหนูไปเจอเขาไอเนี้ยที่หนูเจอที่หนูเห็นตอนที่มันขึ้นมาค่ะว่าเขาก็กระดูกเรากก็ระดูกอย่างเงี้ยค่ะออันเนี้ยคือเป็นเอาไปใช้ได้ใช่ไหมได้เอาไปเพื่อตัดความผูกพันกับร่างกายค่ะแล้วมันก็หายแบบหรือว่าค่ะหรือว่าเราเห็นคนที่เราเรา เราบางทีหรือเราไม่ชอบหรืออิจฉาหรืออะไรที่มันเกิดมันเกิดปุ๊บอันเนี้ยมันก็ขึ้้นมาแลวทําให้เราปล่อยวางได้ก็ใช่ได้ตอนนั้นมันก็แค่กระดูกมันไม่อิจฉากระดูกถูกไหมใช่ค่ะออแบบบางทีต้องคิดแต่บางทีมันขึ้นมาเองมันแล้วแต่แต่บางทีก็ไม่ไม่ไม่มาไม่ได้คิด ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่จําเป็นมันก็ไม่มาถ้ามันจําเป็นพอจิตเราเริ่มไปมีอะไรกับใครมันก็อาจจะขึ้นมาเดินเราได้ใช่ค่ะอืมใช่ก็ดีแสดงว่าเราประมาณนี้ญญก็คือใช้ได้ไใช้ได้เราลองเห็นร่างกายก็เป็นเพียงกระดูกนี่หนังหุ้มกระดูกดีๆนี่อตอนแรกที่หนูสงสัยคือมันเป็นนิมิตแล้วหนูเคยจําว่าพระอาจารย์บอกไม่ให้ไปติดนิแบบไม่ให้ไปติดนิมิตหนูก็เลยลองถามดูค่ะ มันมีนิมิตที่เราติดได้คือนิมิตที่เป็นวิปัสนาเช่นร่างกายอย่างนี้ใช้ได้นะใช้ได้แต่ถ้าเป็นนิมิตว่าไปที่เห็นที่สวยที่งามที่น่าไปเที่ยวไปกินไปดื่มเนี้ยอย่าไปติดไม่เคยเห็นเลยเขาเหล่านั้นเห็นแต่เห็นแต่งเงียบเงียบบึนบึนไม่เห็นอะไรได้ไม่เห็นก็ดีถ้าได้เห็นง่ายเห็นโคงก็โดกเห็นอสุภะนี่ได้ค่ะ แล้วมันก็จาํามันอย่างเงี้ยเลยค่ะเห็นแล้วร่างกายเอาต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นซากศพ <ขอ S 2> ทุกคนร่างกาย ท, าทุกคนพ อ, ไ ป, อไปเห็นไฟก็ไปเห็นเห็นฐานในไฟตอนแรกฐานมันมันก็ยังไม่เป็นฐานแล้วสักพักก็ไปเป็นฐานแล้วมันก็คิดว่าร่างกายก็เวลาตายก็เผา ม, มันก็เป็นอย่างมันก็ไปเหมือนฐานเดี๋ยว่านก็ขี่เท่าไปยใช่ค่ะมันก็คิดขึ้นมาอีกแล้วก็ เห็นขอโทษนะเจ้าคะเห็นอุจจาระหรืออะไรอย่าเงี้ยมันเราก็คิดว่ามันเป็นอาหารเก่ามันเป็นออกมาจากเราก็ร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่ถ้ามันเราไม่สกปรกแล้วเราจะต้องซักทําไมใช่ร่างกายสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นของเน่าของเหม็นมีของเน่าของเหม็นออกมาอยู่ทุกทุกวัน อจริงๆแล้วรีบชำระมันทั้นัพอออกมาพบ ก, ก็ชักโค้งิ้งเลยพม่ยามมองมันเลยซ้ำไปใครมองมันนั่งมองมองแล้วมันก็คิดอย่างนั้นขึ้นมาก็เลยแบบอันนี้เป็นเป็นการดับการอารมณ์ได้ดีเวลาไปหลงรักใครไม่ชอบใครไปคิดถึงอุจจระปัจจวะปัจจวัของเขาแล้วก็เออไม่เอาแล้วช่วงหลังๆมันก็มันก็คิด บ่อยเหมือนกันนะคะเออดี่ต่อไปก็ไปเป็นแม่ชีได้แล้วเราควรทําไงคะคือเราปล่อยมันคิดไปหรือว่าเราก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะใช้มันมาดับการถ้าเรามีการอารมณ์เราก็ใช้มันดับถ้ามันไม่มีการอรมณ์เราก็ไม่ต้องคิดก็ได้หยุดมันก็ได้เียจะเป็นมากไปก็ได้ค่ะบางทีมันรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันถ้าไม่มีถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องกินยา ค่ะเราก็อยู่กับพุทโธให้มากที่สุดทําใจให้นี่งเพราะตอนี่อาจจะต้องแผ่เมตตาแทนพ่าเดี๋ยวเราไปเกลียดคนทุกคนเห็นใครก็เป็นโค้งกระดูกไมหมดอ๋อไปเกลียดชังเขาก็ต้องระวังค่ะถ้าเราเกลียดชังคนแล้วเนี่ยก็ต้อเริ่มเปลี่ยนมาแผ่เมตตาแทนฉะเพสตาอ๋อเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาเพราะว่าตีนยาเกินไปมันแสลงอันนี้ไว้สําหรับเวลาที่เราไปรักใครมากๆก็เราพิจารณาเพ่จะได้ตัดความรัก เพราะเราไปเตียดเข้าทีนี้ก็ต้องหยุดหยุดแล้วก็มาแผ่เมตตาแทนว่าสัตว์ตั้งหลายตั้งปวงเวลาโหนตัวอืมเข้าใจแล้วจ้ะค่ะอ่าระวังในบางทีวิปัสสนาถ้ามันแรงไปมันจะกลายเป็นความรูังนบางทีมันหยุดมันไม่หยุดมันมันเหมือนบางทีมันไม่ยอมหยุดแล้วก็ต้องหยุดมันใช้พุทโธพุทโธหยุดมันค่ะก็เลยหนูก็เลยกลับมาพุทโธโธเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องมันดูหนัง พอดูาด้านก็พอดูหนังเรื <c oughs> อ่องนี้รับเขียนแล้วเขาเปลี่ยนช่างมาดูการ์ตูนแท น, นอะไรอ๋อเราเปลี่ยนได้ <c oughs> ได้อ๋อเจ้าค่ะขอบเข้าใจแล้วจ้า <c oughs> ขอบคุณจ้าพระจานทร์โอเคท่านต่อไปคุณอนุมาแก้วบัวอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนจ้า กลาวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะมาจากที่ไหนเจ้าครั้งแรกอุดรเจ้าค่ะเคยเข้าเคยเข้าประมาณสามสี่ครั้งค่ะแล้วไม่ได้เข้านานจ้ะแต่ว่าก็ฟังทุกวันเจ้าค่ะอถ้าวันไหนไม่ได้ฟังก็หนูก็จะไปฟังย้อนหลังเจ้าค่ะไปบ้านตาบ้างเม่อวอยู่อุดรไปตลอดเจ้าค่ะเมื่อเช้านี้ก็ไปเจ้าค่ะไปงานบุนหลวงตาบอกครบรอบที่ผ่านมาใช่เจ้าค่ะคนเยอะแทนนะ เยอะมากเจ้าค่ะอืมีอะไรไหมวันนี้อ๋อไม่มีเจ้าค่ะร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะสาธุโอเคคนระเป็นคนสุทัศนตาคุณสุทัศนอยู่ที่ไหนอยู่ปทุมธานีเจ้าค่ะปะทุมธานีครัมีอะไรไหมวันนี้อยากกราบขอทำจากท่านอาจารย์ในการเสริมความเพียรเพื่อสร้างสติแล้วก็อ่าปัญญาเจ้าค่ะ อ๋อก็มันมีหลายอย่างที่จะช่วยเสริมความเพียรได้ถ้าฟังเทศฟังธรรมมันก็ จ, จะให้กําลังใจเราฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะยังอยู่กับลวงตานี่ฉันจะเรียกภาพพระอบรมเรื่อยๆประเทศให้ฟังพอหลังจากได้ฟังธรรมได้แล้วก็มีกําลังจิตกําลังใจคึกข น, ขนองขึ้นมา uh huh. นการฟังธรรมก็จะช่วยได้อีกอย่างก็ให้คิดถึงความตายถ้าคิดได้ก็ว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้ว มนุษย์จะตามเมื่อไหร่จะมาขี้เกียจมาหาความสุขทางโลกทำไมเราต้องรีมขวนขวายหาความสุขทางธรรมดีกว่าอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็อ่ากลับถามพระอาจารย์ค่ะคือว่าหนูอยู่ไกลแต่อ่าจะมีเวลาไปทำบุญแล้วก็ไปกราบพระอาจารย์ปีหนึ่งสักประมาณสาครั้งเจ้าค่ะ <c oughs> แต่ว่าหนูจะมีกระปุก บ, บาตรอยู่ค่ะ ถ้าอยากบูมกับท่านพระอาจารย์ทุกวันก็สามารถใส่ในกระปุกทุกวันแล้วก็พอถึงเวลาปีหนึ่งหนูไปเนี้ยก็ทำทีละเยอะๆเลยอย่างนี้เท่ากับเราได้ทําบุญทุกวันไหมเจ้าคะได้ทุกวันถ้าเราไม่ไปแกะกระปุกไปใช้ห้ามหยิบใช้ถือว่ามันจะเป็นของเราแล้วไม่ไม่เราไม่ไปสนใจไม่ไปแตะไปต้องมันถ<ช>้งแม่เราจะตายจากมันแล้วเราไม่ได้ไปทปําบุญก็ถือว่าเราได้ทําบุญแล้วเพราะใจเราตัดขาดจากมันไปแล้ว ใจเราต้องตัดขาดจากเงินก้อนนั้นไปมานเป็นของพระอาจารย์แล้วเพียงแต่ว่ายังท่านท่านยังไม่ได้รับกำเมือ่งบางทีดูดูในใน y o u ูทูบหรือ facebook ที่แบบพระอาจารย์ท่านเดินบินธบาตรนะค่ะออก็อุเห็นแล้วก็ชื่นใจอุยากใส่บาทบ้างอย่างนี้แล้วก็มีกระปุกบาทไว้ลงหยอนตรงนี้ได้ถือว่าใส่บาทได้ใส่บาททุกวันใช่ใช่ไหมจ้าค่ะอาจารย์มีว่าสองสางวันก็มีคนเอา เอาก็ปลกบาดมาให้ใบไว้ส่เต็มมาขอบเจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคนะก็พยายามทำทานรักษาศีลภาวนาเนะทำให้ครบชุดเลยนะครบสุ ด, ส ด, ดอ่าทำเท่าที่จะทำได้ไปก่อนถ้ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอนะค่ะ ข, <Okay. S 2> ขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธุท่านต่อไปคุณหมอพิลพัฒน์เชิญคุณหมอ การหลวงพ่อด้ินไหมครับได้ยินชัดเจนเลยสบายมากอ๋อครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็สังขารอมานปวดหลังครับหลวงพ่อก็ก็เลยไม่ไน้นั่งสมาธิมาสักอาทิตย์หนึ่งวันนี้ก็ดีขึ้นก็มากราบหลวงพ่อเอาเลิกเอาชัยครับว่าจะกลับไปกลับไปทําสมาธิต่อเออทําไมนั่งครับทําไมนั่งทาอย่างอื่นได้ พอนั่งทำสมาธิปวดนําขึ้นมาอ๋อไม่ครับอปวดปวดเฉพาะปวดทุกทุกกิริยาบวดครับหลวงพ่อมันอาจจะเป็นเพราะเราใช้หลังเราเยอะฮรับก็มันก็จะมีใส่กางเกงก็ต้องนั่งใสอย่างเงี้ยใสไปได้ก้มก้มแปลงฟันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอก็เป็นอาจจะเป็นดีเฟกต์ตัวนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นครับหลวงพ่อก็ปกติก็นั่งสมาธิประมาณวันละสองชั่วโมงตอนเช้าครับแต่ก็ ก็มีความสุขว่าต้องทักต้องทักสัก น, นิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเขา้าใจว่ากล้ามเนื้อส่วนหนังตรงนั้นมันน่าจะใช้ในการกำกับไอตัวกระดูกสนังอยู่ถ้านั่งไม่ได้ยินนอนสมาธิก็ได้เแตนอาจจะหลับง่ายนะเนี่ยแต่ทําไปจนกว่ามาันจะหลับไปก็ได้อครับก็ก็ได้เห็นได้เห็นทุกข์ครับหลวงพ่อเห็นทุกข์ขอ ง, งของของของร่างกายของสังขารครับแต่เห็นว่ามันใกล้เข้ามามากว่า ว่าความตายก็ก็อยู่อยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากก็ได้คิดนะครไปครับความเจ็บก็ทุกความตายก็ทุกความแก่ก็ทุกครับแต่ถ้าเกิดดีกว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นครับเหมือนกับว่ามันเป็นทุกอยู่ทุกอยู่ทุกทุกปริยาบทกรับหลวงพ่อเออดเห็นทุกกรณีมันได้กระตุ้นให้เราทําความเพียรไงนะครับ คว่าเราอยู่เหมือนเป็นนักโทษอยู่ในคุกตารางของความทุกข์กันครับคุกตารางที่มีสี่ด้านคือด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บ ด, ด้านที่สี่เรียกว่าตายกระเพงะสี่ด้านคับ้งพวกเราให้อยู่ในกามทุกข์กันเราต้องออกจากคุกตารางอันนี้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีสมาธิปัญญาครับยีคุณหมอพัญญาปฏิบัติไปเรื่อย มีอะไรไหมวัน <Sü> นี้ก็จะทำตอบครับหลวงพ่อครับพันหนังสือมาแล้วนะเริ่มแากเมื่อเช้านี้หนังสือสาธุครับธาตุรู้ธาตุรู้หมอรวบรวมเรื่องธาตุรู้ธาตุสี่ธาตุหกที่ได้แสดงธรรมไวรวบรวมไวถ้าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่านจะเข้าใจง่ายจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้เป็นวิทยาศาสตร์ อยู่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับหลวงพ่อตัวอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นธรรมชาติเราไปบิดผิวธรรมชาติเรามาสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาทั้งยังรางทีเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราสมมติกันหรอกใช่ไหมเพราะเป็นธรรมชาติเดี๋ยวกากลับไปในร่างกายของเรามันก็ดินน้ำลมไฟพอมารวมกันเราก็ไปเรียกว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแต่ถึงเวลามันก็แยกกลับคืนสู่ธาตุเดิมสู่ เข้าใจว่าตอนที่ที่พระองค์ท่านแต่สรู้แล้วเนท่านคิดอยู่นานกว่าว่าจะสอนไม่สอนนี่น่าจะเป็นเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะใช่ไหมครับหลวงพ่อจะพูดเข้าไปให้ถึงตรงจุดของความเป็นท่ารู้น่าจะยากนะครับใช่ท่านอาจจะเห็นว่าทำนี่มันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากต่อคนทั่วไปจะเข้าถึงได้ครับที่ท่านไม่ได้พิจารณารับเพราะว่ามันมีบางกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีความสามารถที่เข้าถึงได้ก็มี เป็นพวกนั่งบวชทั้งหลายที่ได้ฌานได้สมาธิแล้วท่านมันได้คิดถึงที่หลัะท่านละเปลี่ยนใจงั้นเราต้องไปสอนพวกนี้ก่อนพวกบัวเหดินน้นาก่อนพวกนี้เป็นคนพวบัวเหดือน้ําคือเ ข, เขาเขห็นว่าครับเอเขามีสมาธิเขามีจิตที่ว่าที่ที่ใสที่จะเห็นเหตุเห็นผลพอแสดงธรรมความเป็นจริงเขาก็าจะเห็นทันที คือเขาเห็นเขาเห็นธาตุรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นธาตุรู้ใช่ไหมครับหลวงพ่อที่เขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับธาตุรู้วันนี้อืมที่ยังติดอยู่กับอความสุขต่างๆที่มีในโลกนี้อยู่ยังติดอกับร่างกายติดอะไรอยู่ ค, คือเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไ ร, ท, ท, รที่จะแยกธาตุรู้ตัวนี้ออกมาให้ได้ใช่ไหมครับใช่ตัวที่ตัวที่ปลากพให้เขาติดกับธาตุรู้ก็คือตั้หาความอยากนี่ เข้าใจครับหลวงพ่อครับสาธุครับขอบพระคุณครับไม่มีอะไรนะคุณหมอวันนี้ไม่มีอะไรจะถามนะครับไม่ม hmm. ีอะครหลวงพ่อครับคุณหมอท่านต่อไปหมอฟันจุดทอาทิตย์จากสัตหีบพิโรสิตพิโสิตโรงพยาบาลเชลิเกตคพระอาจารย์ไม่มีอะไรจะถามค่ะพระอาจารย์พาอินมากราบอเอินไปไหนนอนหรือยังอค่ะอาทิตย์ที่แล้ว คนไม่ไหวม่วงก็เลยไปก่อนอันนี้ไปเรียนได้หรืเปล่าเรียนที่บ้านยังครับยังครับหโอเคเรียนอยู่ที่บ้านนะอตั้งใจเรียนหนังสืนถามเองไม่ยอมถามคำถามเองจะฝากหนูถามเออแต่อยากจะถามว่าอะไรอ่ะว่าทำยังไงถึงจะนอนเฉยเฉยได้ไม่นอนไม่กระดุกกระดิกพุทโธเลยพุทโธ นอนก็ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปไมันก็เฉยได้นะลองท่องพุโทโธดูนะครับโอเค<ะ>อันนี้นะนโอเคคุณจอยจากพัทยาเชิญคุณจอยจะไปใส่บาตรวันท่านี้ก็ป่ะวันสุกร์ใช่ไหมอ๋อน่าจะได้ไปวันเสาร์ค่ะเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนแล้วค่ะอ๋อวันเสาร์แทนใช พระอาจารย์ไปให้ฟังเทศที่วัดได้แล้วหรอคะได้ละตั้งแต่วันศุกร์แล้วตั้งแต่วันศุกร์วันพระเดี๋ยวันที่สิบสามวันเกิดเดี๋ยจะไปฟังพระอาจารย์ค่ะอต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือต้องกับวันเสาร์อาทิตย์ถามตงกับวันเสาร์พอดีเลยโอเคแต่วันธรรมดาก็ไม่ได้เทศนนะเทศแต่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันอยู่ราชการวันหยุดชดเชยมีคําถามจะถามว่าถ้าเราอยากจะห้ามคนที่เรารักไม่ให้ดื่มสุราอย่างนี้เราควรพูดกับเขาย่งไรดีคะ ออมันยากอ่ะถ้าเขาอยากจะนเดิมไปห้ามของเหมือนเออมันก็นคือเหมือนแบบน้องเครียดว่าไม่อยากให้แบบแม่กินเหล้าอะไรเงี้ยเรามา<อ>่ห้ามใจเราดีกว่าห้ามใจเราอยากก็อยากให้เขาไม่กินเหล้าดีกว่าที่ความทุกข์ของเราไม่ได้อยู่ที่เขาเรื่องที่เขากินเหล้านะความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากของเราไม่ให้เขากินเหล้าเนทะ่านั้นเองพอเราหยุดความอยากนี้ได้ป้าเขาจะกินจะไรเราเขาไม่ทุกข์กับเขาเนาะค่<อ>นะ เรามาแก้ที่ความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราไม่ได้อยู่ที่เขาเดือดรุนแรงหรือไม่เดือดรุนารงเดี๋ยวเขาก็ไม่เดือดรุนารงก็ไปทําอย่างอื่นก็อยากจะให้เขาไม่ไม่ทําอีกก็ทุกข์อีกต้องแก้ไม่มีวันจบมาแก้ที่ใจเราคนเดียวพออย่าไปอยากก็จะทำอะไรก็ปล่อยก็ทําไปไม่ใช่เรื่องของเราเป็นกรรมของเขาเป็นบุญของเขาเขาทาดีเขาก็ได้ดีเขาทาชั่วเขาก็ได้ชั่วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กินตลอดหรอกค่ะแล้ว่าแบบเมืันทายกินที นั่นแหละไม่ว่าเขาจะทำอะไรถ้าเราไปอยากแล้วเราจะไม่สบายใจถ้าเราอยากจะสบายใจก็ปล่อยเขาอยากทำแล้วก็ทำไปตัวใครตัวมันเดี๋ยววันเสาร์พาเด็กๆไปใส่บาตรค่ะได้สะธุจ่ะคุณสุภัสราจากด a l l a สเ e x a s เชิญ กรับมรมรสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำร้อนอากาศก็สบายกำลังสบายอะเจ้าค่ะตอนตอนกลางวันก็ประมาณบางทีก็สิบสี่บ้างสิบสามสิบหกบ้างแต่ตอนเช้าจะค่อนข้างเย็นนะคะบางวันก็ติดลบนะคะเซลเซียสใช่ไหมไม่ใช่ค่ะค่ะเซลเซียสค่ะค่ะค่ะลูกเชฟเซลเซียสตลอดเจ้าค่ะก็ไม่มีไม่มีอะไรเจ้าค่ะก็แค่จะรายงานว่าเมื่อวานลูกสอบตก ไอ้โทรสาวไอ้โทรสาวมันขึ้นวันนิดหนึ่งทุก ช, ชื่อคนชื่อคนเวลาเวลาจะนี้ไม่ได้แกพอกดแป๊บแกเห็นปุ๊บเลยใช่แล้วค่ะก็ก็อีกสาวมันจะได้จะได้ดื่มสมูทตี้แล้วก็ก็ทําโทษตัวเองเมื่อครั้งที่แล้วเดือนหนึ่งก็โอ๊ยวันเสาร์นี้เราจะได้กลับมาดื่มสมูทตี้แล้วพอเมื่อคืนโทรสาวมาอีกโอ๊ยก็เลยขยาย ไม่ดื่อีกหนึ่งเดือนเอาไปอาให้มันเข็ดนะต่อไปก็จะไม่อยากดืมนะเขาเขาก็บอกว่าเขาบอกขอโทษเขาบอกเขาว่าขอโทษเพราะเขาเป็นตัวกระตุ้นทําให้เรามโหก็เลยบอกเขาว่าไม่ใช่หรอกยูไม่ใช่ตัวกระตู้นหรอกเรา่ผิดเองที่ไปมโหเองยูจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของยูแต่ฉันเราไม่ควรจะโมโหเจ้าค่ะเออถูกต้องปัญหาอยู่ที่เราไม่อยู่ที่ใครคนหนึ่งก็ดีชั่วมันก็เรื่องของเขาใช่ไหม แลค่ะเราไปอยากเองพอไปอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกดแล้วค่ะแล้วค่ะก็เลยก็เลยบอกโอ้ยตายแล้วไม่น่าเลยสอบโตอีกแล้วอดสมูทตี้อีกหนึ่งดือนเอาเข้าไปถ้าป่ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มกันแล้วสมูทตี้นี่มันเป็นอะไรนะเป็นอ๋อเป็นปั่นนะคะประมาณปั่นใช่ค่ะใส่นมใส่นมแล้วปั่นแข็งใช่นใช่ค่ะ ค่ะก็ชอบดื่มใส่กล้วยกับแอปเปิลนะเจ้าค่ะชอบดื่มแล้วก็ใส่นมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ hmm. ก็ก็อดอี ก, ก็ถ้าถ้าปราบโทษาตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มแล้วอดีต้องมีมาตรการเข้มข้นลงโทษตัวเองมากเล้มันก็จะไม่เข็ดไง <สน>แต่ว่าก็กเวลาโมโหเนี่ยรู้สึกตัวเองว่ามันมันมันมันมันมันเร็วหมายถึงว่ามันมันหยุดเร็วขึ้นนะเจ้าคะ่ะมัน ก, แก็แล้วก็ทุกครั้งที่โมโหปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเอาตายแล้วเราผิดเพราะเราไม่น่าโมโหมเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาคือคื อ, คอรู้ตัวเองแต่ว่ามันสติมันยังไม่ทันตอนนั้นมันสติตอนนั้นมันลืมมันไปก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมันจะเร็ว <นะ S 1> ขึ้นมันจะจําได้แล้วมันจะระวังมากขึ้น ต่ไปเวลาเจอใครออต้องคิดว่าให้เขาเป็นเหมือนเจ้านายเรนะาน่ะก็เป็นเหมือนอพระเจ้าแผ่นดินเลยก็ได้เราจะได้มันกล้าไปอถ้าไปคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเป็นคนใช้เรานี้เดี๋ยวมันก็มันก็กงไไง่ายก็คือกินกกกนะคะเนาะฮะเนาะฮะก็ทําเมื่อไหร่ลูกได้ดื่มสมูทตี้ก็แปลว่าอะเดือนนั้นดีขึ้นไม่ไม่ไม่มีตัวสาร เขาจะพยายามหาท่ามาลงโทษตัวเองนะคะจะได้ดัดสันดานนิสัยไม่ดีเนี่ยแล้วเจ้าค่ะใช่ขอบพระคุณใช่ไม่มีอะไรนะ่ไม่มีค่ะไม่มีเจ้าค่ะลูกก็ฝึกเหมือนเดิมเจ้าค่ะฝึกฝึกสม่ําเสมอทุกวันเจ้าค่ะเกือบทุกวันต่ออาทิตย์เจ้าค่ะะเห็นท่านต่อไปคุณที่วาที่วาอยู่ที่ไหนพูดได้เลย อาจารั์เจ้าข่าพระอาจารย์กรุงเทพเจ้า่กรุงเทพนะมีอะไรไหมไม่มีเจ้าขาเข้ามารับฟังแล้วาาก็ประกาบพระอาจารย์แ้กัโอเคาห็นท่านต่อไปคุณโชคุณโชอยู่ที่ไหนเ่มไลกันอัเกับหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่โคราชเจ้าค่ะโคราชค่ะมีอะไรไหม คือคือมันดิ้นรนอยากพ้นทุกข์แบบนัค่ะก็ดีแต่ต้อง ร, รู้กำลังของเราว่าเราทำาอะ ไ, ได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อนต้องรู้ทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนก็คือทานศีลภาวนาทำบุญทำทานยาวเงินไปเที่ยวไปกินไปเดื่าเงินที่ไปเที่ยวไปกินไปเดิ่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปทาบุญทาทานแล้วก็รักษาศีลห้า แล้วก็ถ้าเป็นศีลแปดในวันพระแล้วก็ไปฝึกสมาธินั่งสมาธิฝึกสติทําเทศทาํทาทําให้เกิดปัญญาเขาทําไปแล้วมันก็จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากคทุกข์อย่าไปอยากเฉยเฉอย่าไปเฉยเจนมันตายก็ไปไม่ควรจะไปเมื่ออยากแล้วเราต้องเริ่มทําเริ่ม อ, ออกเดินทางนอยากจะไปอเมริกาก็ต้องเริ่มไปเตรียมท้าเตรียมของเตรียมวีซา่าเตรียมเงนินเตรียมทอง เดี๋ยวก็ไปถึงก็ไม่ริกันพอดีพอดีช่วงนี้แม่ป่วยหนะักเจ้าค่ะแล้วก็เดิมเดิมเหมือนตัวเองก็จะได้ได้ไปวัดเป็นพักๆเจ้าค่ะแต่แต่ช่วงนี้ก็เลยจะไม่ได้ไปจะเหมือนกับก็จะต้องมาบนเช้าจะลดค่าเพื่อจะเฝ้าแม่ประมาณนี้ก็ ว, ว่าอยู่ทำบุญกับแม่ก็ได้ไปวัดอยู่ยแล้วนังดูแม่ว่าพระเจ้าบอกเป็นมงคลอย่างยิ่ง มาตาไปดูอุปทานนำเอตัมมังกลรมุตตมังการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลอย่างยิ่งน ถ, ถือว่าได้ไปวันดนั่นดีกว่าไปาทําบุญใส่บาตรกับพระสิแต่แต่ข้างในข้างในมันยังแบ่งแยกเป็นลูกเป็นธรรมเจาค่ะหลวงพ่อ อ, อันนี้แหลเป็นธรรมแล้วแหละเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับพ่อแม่เป็นทาอาหารของลูกหลงเนะี่ย คนสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกๆก็คือพ่อแม่เนี่ยนะไม่มีพ่อแม่จะมีเราได้อย่างไรใช่ไหมดังนั้นอย่าลืมพ่อแม่ก่อนจะทําบุญกับผ้าหลัง น, นอกบ้านให้ทําบุญกับผ้าหลังในบ้านก่อนครูบาอาจารย์ลูกๆท่านสอนอย่างนี้นไปกาบผ้าหลังท่าบอกกลับไปกาบผ้าหลังที่บ้านก่อนไปอย่าท้อทิ้งดูแลผ้าหลังที่บ้านเพราะไม่มีท่านเราก็ไม่มีเราเราก็จะไม่มีวันนี้ ตอนนี้ต้องดีใจต้องรู้ว่าได้มีโอกาสได้ตอบทดแทนบุญคุณของท่านที่ยิ่งใหญ่การได้เลี้ยงดูท่านตอบแทนบุญคุณให้กับท่านน่าจะทําให้เรามีความสุขใจไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องไปว่าตอนนี้ทํำบ้า น, นเป็นวัดนึงมันเป็นความกังวลเจ้าค่ะวัดมันไม่ได้อยู่นสถานที่มันอยู่ที่การปฏิบัติถ้าอยู่ที่ไหนปฏิบัติทานศิลภาวนาได้ที่นั่นก็เป็นวัดละเข้าใจไหม มันก็เลยเหมือนกับไม่ไม่แน่ใจว่าเอช่วงนี้เราควรพิจารณาความตายช่วงนี้เราควรดูจิตอะไรเงี้ยเจ้าขาหลวงพ่อมันเหมือนกับมันมันมันเป็นเพราะว่าเราไม่มีสมาธิไหมเจ้าขามันถึงได้ไดเขาเรียกอะไรอะ่ะเราวิเคราะห์ไม่ออกว่าตอนนี้ปัญหาเราอยู่ที่ตรงไหนไงเจ้าขาเจ้าขาตอนี้ตอนนี้เวลาจะกินยาไม่ต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ปวดเท้าหรือปวดหัวใช่ไหมถ้าได้หาย า, ยาถูกมาเกณฑ ถ้าปวดหัวก็กินยาแ ก, ก้ปวดหัวถ้าปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องแล้วก็ลองมีข้อาดูตอนน <encima> ี้เราทุกข์กับอะไรทุกข์เราไม่ได้ทำบุญนะทําทุกข์ไมได้ทําบุญตอนนี้เราทําบุญอยู่แล้วเราทําบุญกับพ่อกั บ, บแม่อยู่แล้ว <S <S จะหายทุกข์ว่ะเราได้ทําบุญแล้วบางทีเราไปยึดติดกับรูปแบบของการทําบุญก็จะต้องไปทําที่วัดต้องไปทํากับพระอยงนี้ได้บุญไม่ได้ <S <S ทำกับใครก็ได้ทํากับหมา ก, ก็ยังได้บุญไงเชื่อไหม เห็นหมาจรจัดหรือมามันป่วยมันไม่สบายเราช่วยเหลือมันให้มันหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยอนนี่ก็เป็นการทำบุญย่างไงว่าทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจใจขึ้นมาศีลนีก็รักษาได้ทุกแห่งทุกคนไม่จำเป็นจะไปรักษาที่วัดศีนมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายวาจาใจของเราแล้วลองลองวิเคราดูว่าตอนนี้เราไม่สบายใจเพราะอะไรแล้วก็หายามานกิน อยาที่จะทาให้เราสบายใจเราทุกข์เพราะความคือมันทุกเพราะความดิ้นรนในจิตอย่างนั้นเหรอเจ้าคะใช่ความอยากของเราเนี่ยอยากไปเไื่องอะไรอยากจะไปวัดใช่ไหมมันก็เลยทุกข์อยากจะไปนิพานอยากจะไปพ้นทุกก็ได้ตอนนี้มันเหมือนกับขับรถมันติดเนี้ยอยากขึ้นทางด่วนไม่ได้ก็ขับ อ, อยู่ทางใต้ทางด่วนไปก่อนที่ พรตอนนี้เราติดพ่อติดแม่อยู่ยังมีภาระต้องเลี้ยงดูท่านเราก็ต้องเราก็ทําทําขับไปในอยู่ใต้ทางดุลไปมันก็ไปได้ของมันไปได้เรื่อยๆอาจจะไม่เลี้ยงแล้วขึ้นทางดุลแต่เดี๋ยวพอเราไม่มีภาระแล้วเราก็ขึ้นทางดวลไดล้ไปวัดไปอยู่วัดทีละห้าวันเจ็ดวันก็ได้ใช่ไหมเราต้องดูสภาพของเราว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพไหนเรามีภาระมีข้อผูกพันมีอะไรหรือเปล่า ถ้ามีเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราไปก่อนเจ้าค่ะอืแล้วเราจะไม่ทุกเราเรียนสบายใจมีความสนใจได้มีโอกาสได้ทดแทนุคนให้กับพ่อกับแม่เพราะธรรมดาถ้าพ่อแม่เขาไม่เป็นอะไรเขาไม่อยากจะให้เรามาวุ่นวายกับเขาแเราถ้าเขาช่วยตัวเขาเองได้แต่ตอนนี้เขาช่วยตัวเองเขาไม่ได้แล้วทีนี้เขาว่าต้องพึ่งเรานะเจ้าค่ะอ คือถ้าว่าเราเราทุกเพราะไม่อยากให้แม่ตายอย่างนี้เราถึงพิจารณาความตายเราอ๋อคนเราเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคนโยความตายหไม่ได้มันก็จะทําให้เราไม่ค่อยทุกกับความตายของแม่ได้เจ้าค่ะยันต้องวิเคราะห์ดูว่าเราทุกกับอะไรทุกกับเรื่องไหนจะได้หายาที่เหมาะท่าหาธรรมโอษฐ์ที่เหมาะมาใช้กับมันถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าลองดูตัวเองนี่คือมันเหมือนกับ พอแม่ไม่สบายเราก็จะเห็นความทุกข์แล้วก็เห็นญาติเราเนี้ยมีความทุกข์มากแล้วเราก็เลยเออเราเราแล้ว เ, เ, เราจะอยู่ไปเขาเรียกอะไรเราจะอยู่ในโลกนี้ไปทําไมอะไรเงี้ยมันเป็นความทุกข์เพราะว่าเราอยากที่จะพ้นออกจากโลกนี่แหละเจ้าค่ะซึ่งจะมันก็เป็นทาะอยากจะพ้นมันต้องพ้นด้วยวิธีที่ถูกทางไม่ใช่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเมื่อกลับมาเกิดเองเจ้าค่ะไม่ต้องต้องทําแบบที่ทํา ทำแบบไม่ต้องกลับมาเกิดาคก็ต้องปฏิบัติทาตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยทำทานรักษาศีลภาวนาไปพอตัดกิเลสได้หมดมันก็พอตายไปแล้วทีนี้ก็ไม่กลับมาเกิดอีกละบางคนเข้าใจผิดใช่ว่าโอ้เหนยจากุ่กนี้ไปด้วยการฆ่าตัวตายวันนี้เดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหมเ่เจ้าค่ะก็คือ ก็คือเหมือนกับเห็นชัดขึ้นว่าที่ทุกทุกวันนี้ก็เพราะอยากพ้นทุกนี่แหละเจ้าค่ะออยากพ้นทุกก็ต้องปฏิบต์ต้องใช้ยาที่ถูกเลยก็คือต้องปฏิบัติธรรมต้องศึกษาปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะการศึกษาสิ่งต่อนำไปนะเจ้าค่ะการหลวงพ่อขอบพระคุณจ้าค่ะหลพอท่านต่อไปคุณตุ๋ยทีวายอยู่ที่ไหนเชิญ นักชการกหลวงพ่อเ อ, อยู่ที่ไหนครับตันอะนนทบุรีค่ะน น, น, นท บ, บุรีถากเคยเข้ามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อครั้งหนึ่งอะค่ะเออได้มีอะไรไหมคือมีคําถามอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะว่าแต่ก่อนเนี้ยเคยภาวนาแล้วตัวมันหายไปหมดเลยแล้วก็ไปนิ่งอยู่ตรงกลางท้องเอสว่างเอดอดีก็ถูกใจแล้วทับขณู หนูตกใจว่าเข้ามาได้ไงแล้วออกไงหนูก็สะบัดตัวออกมาแล้วก็หนูตั้งแต่นั้นมาหนูก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างเข้าไปอีกอย่างนั้นน่ะจะจะมีโอกาสไหมคะมีถ้าเคยเข้าไปได้มันก็ต้องเข้าไปได้เองเพียงแต่หาทางไม่เจอเท่านั้นเองวท่าที่แล้วเราเข้าไปได้ยังไงตอนนั้นเป็ยการภาวนาครั้งแรกค่ะเออก็ทำแบบครั้งแรกต่อไปเลยอย่าไปนั่งอยากถ้านั่งอยากไปจนมันตายก็เข้าไม่ได้ค่ะ ต้องนั่งภาวนาเหมือนครั้งแรกครั้งแรกเราไปยทำอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็กลับเข้าไปได้มันจําได้ไห<ด> ม, ไมว่าเลาจาได้หรือเปล่าว่าเราอย่างไรคราที่แล้วทีเราเข้าไปได้เป็นเป็นครั้งแรกค่ะก็คือหนูท่องเขาบอกว่าให้หนูว่างหนูสาม พ, พี่สะพายว่าทำอย่างไงเขาบอกว่าให้หนูทําใจให้ว่างก็พุโทโธแล้วหนูก็พุทโธสองครั้งดังๆนะคะแล้วมันก็หายเข้าไปเลยนะค่ะเออมาทาใหม่มาทําแบบนั้นใหม่ เราทำเมื่อหลายวันไม่เคยได้เลยค่ะว่าต้องทำให้มันมากขึ้นมันอาจจะมันอาจจะชิน้อาจจะต้องพูดโธมากขึ้นยาวขึ้นนานขึ้นก่อนแล้วอยากไปหวังให้มันพุทโทรเหมือนคราวที่แล้วปุ๊บมันจะเข้าไปได้ปั๊บเลยแต่โอกาสมีใช่ไหมคะมีมีแค่พูดโธไปอย่างเดียวทำใจไว้บ้างแลพ้พูดโธพุดโธไปเรื่อยแล้วลวตอนออกเราจะทํายังไงคะออมันออกเองเดี๋ยวเพราะมันมันอิ่ตัวมันก็ออกเองมันนอนหลับเลย พอมันมันนอนหลับพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาเองตอนที่หนูอยู่ข้างในท้องที่แบบว่ามันสว่างแล้วมีหนูเจอเฉยเฉย้าลูเฉยเฉยมันดีไม่ใช่เหรือยังนะมันดีหรือเปล่ามันมันมันไม่มีตัวเลยนะคะแต่ว่าแต่แต่หนูไปเห็นลิงนะคะหน้าเป็นบังอ่ะเป็นที่สัตว์ตัวนึงค่ะแล้วเสนะพอ อันนั้นปีห้าแปดอะนะคะ <S <S แล้วพอหลังจากที่หนูนั่งเสร็จแล้วแหนูก็ไปนอนต่อนอนไปไปนอนต่อนะคะอหนูก็เริ่มจิตหนูว่ามันหมุนนะะ่ะเหมือนติวติติวตวเข้าไปเไูเห็นไส้เห็นปอดเข้าไปลึกลึกลึกเข้าไปมันหมุนน่ะจิตมันรู้สึกหมุนหมุนหมุนมุนเข้าไปงั้นหนูก็ไปเจอกระสือแล้วก็หลังจากนั้นนะะ่ะ หนูก็ตื่นขึ้นมามันเหมือนก็นหลับลม เ, เคลิมหลับไปแต่ว่าติดหลัวความรู้สึกก็เป็นความฝันก็เป็นความฝัน น, นอีอ๋อมันเป็นความฝันใช่ไหมคะมันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปวไิไปอะไรกับมันมันเป็นความฝันนะค่ะและนน้วคราวนี้ที่หนูว่ามีลมในกายที่หนูรู้ลมในกายที่หัวที่ตัวอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือสติเอ่อสติปัฏฐานสี่นะคะที่รู้เวท ร, รู้รู้กาย คือเวลาเราจะฝึกสติแล้วก็ดูดูร่างกายว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กำลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังกินข้าวกําลังทํากับข้าวไว้ละล้างถ้วยล้างชามเพื่อให้มันอยู่กับงานที่เราทําอยู่หรือว่ารู้รู้กายเพื่อให้สติมันไม่ไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นคือตอนนี้ ที่หนูรู้ว่าลมมันวิ่งอยู่ตลอดในเวลาในหัวในตัวในร่างกายวิ่งไปวิ่งมาตลอดรับทราบถึงความรู้สึกกันตรงนั้นได้อะค่ะไม่ว่าจะตื่นหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกสมาธ<น>ิอ่ะใช้เฉยๆก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดใช้เฉยๆอย่าไปคิดก็ใช้ได้ทุกวันนี้หนูก็ใช้วิธีการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ<ช>แต่หนูไม่ได้ไปคิดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ อสุภะ ห, หรือไม่ได้เกียวกับพิจารณกายเอ้ะพิจารณาอะไรอันนี้ไมตอนนี้ฝึกสมาธิไปก่อนฝึกสติไปก่อนฝึกสติ<น>ใช่ไหมคะฝึกสติไปก่อนภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้ออใช่ไหมคะใช่ใช่ฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตมันเข้าไปข้างในให้ได้ก่อนอืมแต่โอกาสที่จะเข้าไปก็คือ ถ้าถ้าหนูจะไม่นอนเลยหนูจะภาวนาทั้งคืนอย่างเงี้ยมันจะเป็นการหักโหมเกินไปไหมคะคุณพ่อก็อยู่ที่กําลังของเราอยู่ที่กําลังของเราแต่มันจะ <มา S 1> เพิ่มแต่มันจะเพิ่มกําลังจิตของเราให้มีพลังมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็อยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่ต้องที่ทํานี้ทําเพื่อให้เกิดสติเห็นต้างก็ต้องให้จิตอยู่กับอะไรทั้งอย่างอยู่กับร่างกายไม่ให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆ เ อ, อ, เ, อ, อเมื่อตอนต้นปีใหม่นะคะหนูเสียใจอยู่เรื่องหนึ่งความเสียใจเนี้ยมันก็ติดต่อมาสามอาทิตย์หนูไปเปิดเพลงฟังแปลอะไรต่ออะไรปรากฏว่าช่วงนั้นาน่ะหนูหงุดหงิดมากเลยหนูก็เลยไม่ได้มาเปิดท่านอาจารย์คือรู้สึกว่าตัวเองแย่มากเลยสามอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะนอกจากเรียนมกราแล้วหนูก็ตับตัวใหม่เพราะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะหงุดหงิดพอหลังจากสามอาทิตย์ไปแล้วหนูก็พอเริ่มต้นกุมภาใกล้ ก่อนจะถึงคุมพาอทิเนื้อคะ่ะเดี๋ยวก็เริ่มภาวนาใหม่เดี๋ยวก็เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นคือจิตค่ะพอฟังเพลงก็ฟังเพลงไม่จบนะคะจิตมันไม่เอาเออบางทีมันก็ทะเลทลายไปบ้างถูกกิเลสจุนลากไปพอรู้มไม่ดีแล้วก็ถึงมันกลับมาทางธรรมต่อไปไม่เป็นไรค่ะอะไรผ่านก็ร่างก็ปล่อยมันผ่านไปเราเสียใจเรื่องีสอนชั่ม้าหลานนะคะแล้วหลานเขาว่าหนูเขาไม่เชื่อเขาบอกว่า งมง่ายนะคะหนูก็เลยเสียใจออเขาไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปสอนเขาท่านั่นเองไม่ต้องไปเสียใจเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเราเขไม่ต้องสอนไม่บาปแล้วเขาก็เพียงะไม่ไม่มีไม่มีหูตาสว่างไม่มีทำสอนเขาไม่มีทำนําทางเขาท่านั้นเองเขาจะถูกกิเลสนําไปท่านนี้นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนําไปสู่ความทุกข์ต่างๆต่อไป ตอนนี้เขาก็เลิกได้คุยขนูไปเลยฮ่ะอ่ก็ไม่ต้องคุยเรื่องนี้ก็ต่อไปเวลาจะเจอกันก็คุยเรื่องอื่นไปแต่ไ<ผ>มพ่อก็อย่าอย่าไปบั็อกภาพก่ค่ะหลวงพ่อครับหนูว่ามีลูกเป็นคนพิการนะคะแต่พิการแบบเอ่อเรียนการเรียนรู้พัฒนาการชา้าแต่ตอนนี้คือเข้าทํางานแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเคืดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้เองหรือว่าทําอะไรได้เองอ่ะค่ะ คนนี้ยหนูอยู่กันสองคนนี่หนูก็มีคือหนูกังวลว่าหนูจะตายไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะฮะอันนี้ไม่ตายไปก็ช่วยไม่ได้ไม่คิดอะไรมากตายไปแล้วก็จบมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเขาจะอยู่ยังไงต่อไปก็เป็นเรื่องของเขาพต่หนูกะว่าจะฝากหลานคนนี้ให้เขาดูแลต่อค่ะแล้วถ้าเขายินดีรึเปล่าถ้าเขายินดีรับก็ก็ดีไปไม่ยินดีก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องมีอะไรสักอย่างถ้าก็มีบุญไม่ต้องกลัวหรอก เดี๋ยวบุญก็จะมารับนอกเขาเองดูแลเขาเองโอสาธุค่ะหลวงพอ่อกลุ้มเรื่องนี้มากเลยค่อไม่ต้องไปกลุ้มหรอกเพราะมันทำอะไรไม่ได้มั น, มนส่วนวิสัยของเราแล้วนะก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเข า, ขาสาธุค่ะหลวงพอ่อไปเช้าก็เรียก ว, ว่าตายตามกันไปหมดอยู่ดีไม่ต้องไปกังวลหรอก หนูอยากให้เขตายก่หนูเพราะว่าหนูจะใด้หมดพ่วยอ่ามันถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ดีนะมันทําไม่ได้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของแต่ละคนนะแต่เขาก็ทํางานที่ลัวิสาหกิจได้นะคะคไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวหรอกตาเขาทางานได้เขาก็ดูแลตัวเขาเองได้เอะค่ะขอบคุณมากค่ะน้ำมัสตางค์ค่ะหลมพ่อแล้วจึงสามสามเด็กน้อยใบหยกภูผามุกไใบ นายยังไงนายยังไงสบายดีเหรอสบายดีสบายดีครับรับการบ้านเสร็จหรื อ, อยังรับกา้าเสร็จเรียบร้อยหายหว่วงครับอ่า <c oughs> มีอะไรมั้ยวันนี้อ่็มีไหมกีฬาคนลู้อ๋อใช่ค่ะหนูรู้สึกว่า เวลาหนูนั่งสมาธิทุกอย่างมันแบบว่าผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วทีนี้อะหนูก็เอาไปคิดต่อหนูก็เลยอยากรู้วิธีแบบว่าระงับปอะค่ะหรือว่าทําให้คิดน้อยลงค่ะกลับมาที่พุโทโธเลยอยู่กับพุโทโธไปแล้วสวดมนต์ไปก็ได้ออ <c oughs> อย่าไปอย่าไปตามความคิดยิ่งคิดมันยิ่งยาวไปนั้นกลับมาที่พุโทโธพุโทโธแล้วเดี๋ยวความคิดก็จะหายไป <c oughs> หลากหลายจะถามได้อีกมีไหมแม่มีู้จะพูดไหมคะไม่มีโยมโยมก็ไม่มีคะ่ะโยมเข้ามาการาบแล้วก็ฟังธรรมะค่ ะ, ะคุณพ่อไม่อยู่แล้ววันนี้เรียกว่าออกไปออกกำลังกายคะ่ะออกกาลังกายการพุทธุกเ์ขเขาจะไปออกกำลังกายตีแบบนะคะกลับมาก็สี่ทุ่งครึ่งงี้คะ่ะ ข, ของโยมก็มี ช่วงสัปดาห์นี้รู้สึกจะไม่ค่อยไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่เพราะว่าเด็กเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วต้องดูแลสามคนเนี้ยค่ะมันก็มีมันก็มก็มีปิดปิดบ้างค่ะแต่โยมก็พยายามรู้สติตัวเองว่าเออเรากําลังมีอารมณ์ปิดแล้วนะอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันเฉยเแล้วพยายามคิดว่าคิดว่ากำลังเลี้ยงลิงแล้วกันเลี้ยงลิงสามตัวไม่นะจะไปหวังให้มันเป็นเรียบร้อยไม่ได้หรอกลิงมันก็ต้อง ก็โดดโลดเต้นอยู่มันไปตาภาษาขงมันค่ะช่วงนี้ก็เลยเวลานั่งสมาธิตอนกลางคืนก็เลยจิตมันชอบหลุดบ่อยค่ะแต่ว่าก็พอรู้ว่ามันหลุดแล้วก็กลับมาใหม่เนี้ยค่ะพยายามกลับมาชั้พุทโธหนึ่งกลับมานะค่ะคาะถูกค่ะโอเคอาอากาบอากาบนั่งจันทร์ค่ะนอนส่วนบนแล้วก็นอนนนอนนะอืม เคุเเนะคณฟังอะไรจอยวงเชิญตอบนมัสการค่ะไปยังไงมีอะไรไหก็เมื่อเช้าไปใส่บาทพระจารย์ชา้าค่ะไม่เป็นไรก็ยังทันอยู่ค่ะอยอมมีมีอ่ากันบ้านที่ส่งพระจารย์ค่ะหลังจากที่ยมไปไปที่วัด ไปเจอพระอาจารย์ตอนเช้าแล้วก็ไปหามูมนั่งสมาธิค่ะพอกลับมาแล้วมันทำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ, ๆเลยค่ะในเรื่องกก็กดีพยายามทำต่อไปอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วเดี๋ยมันก็จะถดถอยได้ได้ค่ะพระอาจารย์มีมีอยู่คำถามหนึ่งที่ที่โยมติดอยู่ในใจก็คือตอนสมัยโยมเด็กๆแล้วแล้วโยมฟังฟังพุทธประวัติ สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านประสูตดแล้วเขาบอกว่าประสูตดมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้ามีดอกพัวผุดขึ้นนะคะอตอนเด็กๆโย ม, มด้วยความคึกข น, ข น, ข น, ข น, ขนของโยมก็คิดว่าคนเรามันจะมีแบบนี้ได้เหรอะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้โยมคิดว่าตอนเด็กๆโยมไปปาหมาดแล้วมันจะทําให้มันมีบาปติดมาไหมเจ้าคะ่ะไม่หรอกมันเป็นความสงสัยเพราะเราไม่เคยยังไม่มีความ ความคิดที่อยาคิดให้มันกว้างว่าคนเราไม่เหมือนกันจิตของคนเราแต่ละคนนี่มีการมีพลังจิตไม่เหมือนกันพระเจ้านี่ท่านพักจิต ท, ท่านมีพลังจิตสูงท่านสามารถที่จะสั่งให้มีสติสูงเพราะเกิดมาก็ออกมันเดินได้เลยแต่ก็เดินได้แค่เจ็ดข้าแล้วก็ต้องก็หมดแรงก็ต้องให้แมุู่ดตอบไปเป็นเป็นประตรงการของความ ความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้านัเซึ่งเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่ไม่เป็นปัญหานะเสิีท่านไม่ได้บังคับให้เชื่อสิ่งที่ท่านกาลังกายนั้วเราเชื่อคือเชื่อคําสอนเชื่ออริยสัจเชื่อใจรักเชื่อศีลสมาธิปัญญาค่ะก็ตันนี้มีเท่านี้ค่ะก็ฟังที่เหลือก็จะฟังจากท่านท่ไนก็ได้ถ้าเม <mm ื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าคนเราทําไมเนี่ วเวลาจะบินได้ยังไงใช่ไหมเมื่อก่อนนีไม่มีใครบินนะยันนี้ก็มีคนบินได้แล้วะนะอแต่ว่ายมยมเคยได้ยินว่ามีมีอ่าพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่วัดกูดีดาวอะค่ะที่เขาว่ากันว่าท่านห อ, อกได้อ่ะแต่ก็ใช่แต่ก็ฟังไว้ถ้ายังไม่เห็นกับตาก็อย่าเพิ่งไปเชื่อลอตเปอร์เซนชื่อหูไวหูฟังหูไว้หูก็แล้วกัน อย่าไปประมาทคืออย่าไปปฏิเสธแต่ก็อย่าไปเชื่อว่าอาจจะถูกเ้าหลอกก็ได้ต้องรองไปพิสูจน์ก่อนพระพุทธเจ้าบอกฟังอะไรมาแล้วอย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นอย่าไปปฏิเสธอย่าไปเชื่อไว้รอให้พิสูจน์ให้เห็นกับตาก่อนแลถึงจะเชื่อได้ค่ะรอเป็นปีใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ<น><น>ค่ะ<น>กอยมก็จะปฏิบัติเรื่อยๆนะคะเวลา<น>ได้ถึงพรอาจารย์อยมก็จะมีกำลังใจแล้วอยมก็ปฏิบตัติฝืนตัวเองปฏิบตัติตลอด ได้โอเคค่ะสาธุคุณนานนบดีครับอที่นี้มาละเสียงพูดได้โอ้สวัสดีครับออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเห็นอยู่ผมอยู่ศรีราชาครับพระอาจารย์ชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เข้ามาครั้งแรกครับแล้วก็ปรึกษาพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการฝึกนั่งสมาธิแบบนับลมหายใจครับพระอาจารย์ปอะจําได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ไผมก็นั่งต่อเนื่องมาทุกวัน จนมาถึงวันเนี้ยครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้นับตัวเลขแล้วครับผมก็พุทโทอย่างเดียวออผมว่าเมื่อกี้ครับพอดีมีน้องน้องสามคนที่เขาถามแล้วก็ตรงกันที่ผมอยากทราบแล้วครับ uh huh. ก็คือว่าพอเราพูดโธไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีอะไระครับมีเรื่องที่ผุดเข้ามาในหัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. แล้วพอดีน้องเขาถามว่าทํายังไงให้หายไปพระอาจารย uh ์ huh. ท่านก็บอกว่าแล้วพระอาจารย์ก็ตอบกลับไปว่าให้พุโทโธกลับมาพุโทโธรอย่างเงี้ยครับออ uh huh. อย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันจิตสงบมันก็จะหายไปครับแต่ว่ามันมันมีปัญหาอย่างเงี้ยครับพอดีคือผมก็มีลูกครับแล้วผมจะนั่งตอนช่วงประมาณสักตีห้าอย่างเงี้ยครับตอนลูกที่ยังไม่ตื่นเ อ, อคําถามของผมคือผมอยากจะนั่งให้มันได้มากขึ้นนะครับในในในภาวะที่ผมเป็นอย่างเงี้ยผมจะผมจะทํายังไงได้ ได้ได้บ้างไหมหมายความว่าระหว่างมันผมจะนั่งสักสินาทียีสิบนาทีสะสมอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเช้าขึ้นึ่งชั่วโมงเนี่นอนนอนหัวค่ำหน่อยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาหน่อยตัดตัดการดูทีวีดูอะไรทิ้งไปแล้วเข้านอนเร็วหน่อยมันก็จะตื่นเช้าขึ้นมาได้ครับอ๋ออย่างนี้อีกอีกอีกอย่างหนึ่งครับผมผมอยากผมอยากทราบพอดี ผมเป็นคนนั่งสมาธิแบบเปล่าๆไม่ได้ผมจะต้องมีพนักประพิงข้างหลังอย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมเคยลองเทสแบบนั่งแบบเปล่าๆแบบไม่มีพนักพิงแล้วมันได้สักห้านาทีก็คือมันก็ไม่ไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาเป็นเวลาก็พิงได้ก็พิงไปอแต่ถ้าก้าลองลองลองฝึกแบบไม่พิงบ้างสลับกันไปครับต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอาศัยที่พิงครับมันเป็นเพียงแต่ความเคยชินนั่นเองมันก็เลยทําให้ติด เรไม่มีอะไรที่พิงแล้วมันมันไม่รู้ความมั่นใจใครับก็ลองทําทั้งสองแบบดูสลับกันไปเอาตลองนั่งแบบไม่มีที่พิงดูก่อนแล้วเขายางฝืนบังคับใจพูดโถ่พูดโถ่ไปเดี๋ยวมันก็ได้ถ้าไม่ได้จริงก็กลับมานั่งพิงไปก่อน เราเรื่องการนั่งหลังงอหลังตรงนี่ต้องไม่ต <ern> ้องกังวลพอเรานั่งแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าจะงอหรือจะตรงแต่เวลาเริ่มต้นเราก็ตั้งให้มันตรงแล้วกันคเพราะตั้งเสร็จแล้วทีนี้เวลาเราพูดโทรเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วมันงอแล้วไม่งอตรงหรือไม่ตรงครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนกันเมื่อช่วงสองวันที่แล้วก็คือไม่ได้สนใจท่านั่งเลยแล้วก็ลืมไปเลยว่านั่งท่าไหนนี่ครับไม่สําคัญแล้วท่านั่งไม่สาคัญสาคัญที่พุทธโทอย่างเดียวครับครับโอเคนะ ีอะไรไหรขอบคุณมากครับไม่ไ ม, ไม่ไม่ลบกดแล้ะครับพอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณประเวศจาก d a ลั a เท็กซเชิญได้ไปฉีดวัคซีนหรือยังคนอายุเกินเจ็ดสิบแล้วนี่ยังไม่ได้อันมิวไมโครโฟนครับครับผมเพื่อนเพื่อนเขาไปฉีดกันแล้วครับต้องไปที่แฟร์พาคต้องไปรออยู่สองสามชั่วโมงก็ ถามเขาว่าอาการเป็นยังไงอเขาก็ทีแรกๆก็กลัวก็ไม่มีอาการครับก็เข็มแรกนี่กำลังรอคนที่เขาจะไปฉีดเข็มที่สองอยู่แต่ว่านั่นเขาอายุเจ็ดสิบขึ้นไปเขาจะรอรอดูผลว่าเขาเป็นไงอยู่ครับของผมยังรอหมอประจำตัวเรียกครับเราเราเราเราหกสิบห้าครับเขาเจ็ดสิบเขาไปก่อนผมครับตอนนี้ก็ฉีดแล้วที่ดารัสก็ ขีดไปเยอะแล้วครับก็หลายหลายแสนคนแล้วก็ อ, อาการก็มีน้อยครับที่ว่าหลังจากขีดแล้วมีก็อย่างมากก็แคบ <น S 2> รวมไ ป, ไปวันหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรผมว่ามันก็คล้ายๆกับขีดวัดครั้งแรกๆที่พวกเรากลัวกันนะครับใช่คนบางคนอาจจะมีโรคภูมิแพ้พอยู่แล้วก็แพ้ได้ครับก<น>า <ำ S 2> รกันไวตรงนั้น ครับผมผมว่ามันก็เป็นคล้ายๆโรคหวัดอีกหน่อยมันก็ต้องฉีดทุกปีอย่างนี้แหละเออแต่จะมีวัคซีนแล้วสบายใจแนะนะอ่ะก่อตอนนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะครับเพราะว่าตอนนี้ในเท็กซัสก็ทีดไปแล้วเกือบสองล้านกว่าคนแล้วอืมเข็นแรกครับเข็มสองนี่ยังไม่ใชมีประมาณติดเชื้อก็ลดลงแล้วเมืตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะบางบางเขตครับผมผมยังไม่ค่อยเชื่อไอ ซิดเดนที่เขาทำของอเมริกาครับประเทศไทยเราเด็กเรียนเราไปเรียนแล้วใส่แมสต์ใส่อะไรที่นี่มันไม่ยอมใส่กันนะครับมันถือว่าเป็นอิสระมันไม่ยอมถูกบังคับกันเขา <c oughs> บังคับยากเหลือเกินที่นี่ <c oughs> อเปิดซิดเดนยังไม่ทําเลยแล้วเราจะให้เด็กมาเรียนทําได้ไง <c oughs> ใช่แล้ว น, น, นี้คนใหม่ก็ทำเนี่ยคนใหม<า>่ก็ทำเป็นตัวอย่างเลย ของไทยเราทําได้เรียบร้อยครับผมว่าเราจะมีแค่ปัญหาที่คนหนีเข้ามาเท่านั้นแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนหรือประชาชนของไทยเราทําได้ดีกว่าเพราะทางเอเชียพูดง่ายกว่าเยอะครับใช่ว่านอสอยง่ายตัวอย่าเชื่าคกันครับคือกดคือกดครับแล้วว่าผมก็เชื่อว่าไอ้อากาศเป็นพิษนั่นทําให้ประเทศไทยเราดีขึ้นเยอะครับใช่ว่าเราฝึกใส่หน้าการมาต่ก่อนหน้านี้ ครับผมผมเชื่ออย่างนั้นครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอถามข้อหนึ่งว่าขณะที่ผมนั่งทำสมาธิเนี่ยหรือว่าผมปฏิบัติธรรมเนี่ยผมก็ดูไว้พวกเก้าอี้เนี่ยมันเหมือนเรายังไงมีขามีแขนเหมือนเรามีมีที่นั่งเหมือนเราอะไรเงี้ยแล้วก็แก่ตายแล้วก็ถูกพังไปแล้วเป็นก้ไมอย่างเงี้ยผมอัฒน์ดูเสร็จแล้วครับพอวันนี้มาดูตัวเองเวลาเราเจ็บป่วยเงี้ย บางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หายแต่ว่าไอ้ไม่หายนี้ผมเอากฎแห่งกรรมมาเชืยว่าอ๋อนี่เป็นกรรมที่เราเคยทำอะไรเข้ามาอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไตลักที่แท้จริงคือไตลักก็คือเราบางไปบางค้ามมันไม่ได้มันจะหายก็หายมันไม่หายก็ไม่หายเราต้องทาใจยอมรับมันอันนี้การเรีักน่าเป็นไตลักษ่เรี่าเป็นนัตตาเลย หน้าตาคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมครับผมเออเหมือ น, น, นต้ น, น, ตนไม้ต้นไม้ต้นไม้เราก็ไปบังคับมันไม่ได้เออมันของต่างๆเราไปบังคับมันไม่ได้ร่างกายมันก็เป็นเหมือนของต่างๆนี่แหละเราไปบังคับมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บมันจะหายหรือไม่หายแล้วก็ไปสั่งมันไม่ได้ อันอันนี้ผมทําถูกถูกถูกวิธีเปล่าครับถูกถ้าถ้าทําแล้วใจเราสบายใจเราไม่ทุกกับมันก็ใช้ได้อ๋อครับอันนั้นอันนี้ที่ผมผมบอกว้าผมใช้กดแห่งกรรมเข้ามาแล้วพอ เ, เรื่องอะไรที่มันแก้ไม่ตกผมใช้กดแห่งกรรมเข้ามาแล้วมันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยก็ได้กดแห่งกรรมนี่มันจะทําให้เราเป็นอุเบกขาได้ปล่อยวางได้เพร <อ S 1> <พอ S 2> มันเหนมืนหนอนมันเหนือความสามารถของเราที่จะไปแก้มันใช่ไหมถ้าเป็นกดแข่งกรรม ก็ได้ก็เหมือนอนาตานี่แหละอูกถูกใช้ได้เนกันนะครับใช้ได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับขออาจารย์ก็สุภาพาถึงแดงครับเมื่อช้านี้ก็เจอหลวงพ่อเอเพื่อนท่านอ่ะเพื่อนคุณคก็แก่ก้าวใจเป็นไงบ้างครับยังเข้าท่านไม่ท่านยังไม่สึกนะครับอ๋อยังยังท่านยังเข้มแข็งยังปฏิบัติธุรกิจของท่านอยู่ทั้งวันบินตาบานของท่านอยู่ทงว่าท่านท่านหาชานันท่านหาชาัยังไม่รู้ว่าพระ ชื่อชื่อทางพระอะไรผมยังไม่คิดไม่เลยแล้วแเราก็เรียกพระราชาหนึ่งเลื่อื่อชื่อชื่ออะไรเนี่ยเานนี้ลกชายลูกชายก็เข้ามาฟังสูมภาษาอังกฤษอ๋อดีอ๋อวรังคารใช่ไหมครับในวรังคารภาษาอังกฤษกายวินเวลาเดียวกันหป่าครับเวลาเดียวกันสองทุ่มถ้าอยากจะฟังภาษาอังกฤษก็เข้ามาในวรังคารได้อ๋อครับจะได้ให้คนที่เขาอยากฟังเข้ามาหรอเรื่องเดียวกัน อ๋อเบอเดียบเบอดียบโ อ, อ, อคอครับดีครับผมจะทานเฟื่อไปให้คนแชร์ชชคนอื่นครับถ้าอยากจะพามภาษาอังกฤษก็วันอังคารถ้าอยากจะภาษาไทยก็วันพุธครแล้วแล้วคาถามนี้คล้ายๆกันไหมครับท่านก็เขาก็จะเลิกไปทางปฏิบัติมากกว่าของเราของเรามันยังยังมีเรื่องเรื่องเรื่องกรรมเรื่องอะไรอยู่มากฝรังเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมเท่าไหร่เขาสนใจแนเรื่องภาวนาอืม เขาเขาชื่อเขาก็ไม่เคเชื่อนะผมก็ไปคุยกับพวกฝรั่งที่เล่นกีฬาด้วยกันมันก็อะไรก็กดเมื่อวันเดียวก๊อดให้ให้หายหมดเดี๋ยวให้กดให้เออปล่อยให้เขากลับไปเป็นพระเจ้าเขายังกแบบยังเก่าก็ไม่ยอมฟังนะเรื่องของเขาไม่เป็ไรเราก็คงก็บอกก็บอกว่าแค่ตัวใครตัวมันรอนไม่ได้ครับตอนนี้คุณจะเข้าไปดูคนย้อนหลังไม่ได้นะในเพจภาษาอังกฤษเสกคําว่าชาติสุชาติ เจิเฉิดสดว่าอาจารย์สุชาติในเฟซบุ๊กมันก็มีหน้าเพาาจภาษาอังกฤษอาารย์สุชาติทิชาตัวท่านเข้ามาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นของของภาษาอังกฤษนะฮะมีแต่ว่าที่ท่านไปนบินทบาทแล้วออกแล้ว ก, แวก็แล้วก็สวนธนาทําหน้าห้องแต่ไม่ไม่เคยเห็นเป็นภาษาอังกฤษออกมาต้องต้องอีกหน้าหนึ่งต้ออีกหน้านึ่งอีกอ ไ, ไปหน้าเป็นหน้าภาษาอังกฤษรั้งดวย อืมโอเคโอเคผมต้องเสิรดคำภาษาอังกฤษว่าอาจารย์สุชาติเป็นภาษาอังกฤษอ๋อโอเคครับครับเขถึงว่าไม่ขึ้นที่จอผมเลยใช่ต้องเสิดเป็นภาษาอังกฤษใช่ภาษาอังกฤษ A J A A N นี้อาจารย์ครับแล้วก็สุชาติอมันจะขึ้นมามีคำมากกว่าผมไม่เห็นเลยครับต้องต้องเสิรดด้วยภาษาอังกฤษอ๋อครับมันจะเข้าไปในหน้าภาษาอังกฤษครับโอเคครับถึงว่าผมไม่เห็นเอ๊แต่มันไม่เห็นมาตะวันข้าวทีก็อ๋อต้องเสอเข้าไป เดี๋ยวคุณคุณลาส่งลิงไปให้คุณประเวศหีณาก็ได้ผ่นทางทางแชทนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้าเปิดแชทขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะได้ทานเตอร์ไปให้คนที่เขาอยากฟังคุณธนาช่วยทําได้ใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีแล้วครับไม่มีอะไรมากครับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์สุภาพแข็งแรงครับสาธุอาจอรยยินดีที่เข้ามาร่วมฟังครับผมคุณสุภาพนา อยากบอกวินเชิญกล่าวนวัตสการอาจ า, ารย์ต้องา่ะอ่าไหวไงมีอะไรไหมวันนี้มีเสียงไมค่อเสียงไม่ค่อยดีเลยเสียงขา ด, ดให้ใหายยังไม่ได้ใส่หูอ่าสัญญาณไม่กล่าวนวัตสการอีกทีเดียวค่ะอาจารย์อ okay. ก็ฟังทนันได้ได้ได้ทันฟังคุณโยมโยมคุณเอกอ่ะฮะ ที่บอกว่าเรื่องอเรื่องเออ่เวทนาค่ะคือตอนที่โยมนั่งเนี่ยแล้ว เ, เกิดเวทนาเนี่ยโยมจะใช้วิธีว่าเปลี่ยนจุดสนใจไปสนใจในในส่วนอื่นค่ะหรื อ, อมไม่ก็อย่างอย่างที่พระอาจารย์สอนก็คือไปพุทโธออค่ะเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปนั่งมองมันมันยิ่งทําให้เหมือนกับยิ่งไปเพิ่มความอยากให้หายปวดมันก็ยิ่งปวดนะคะใช่ใช่ก็อย่าไปสนใจมัน เหมืนอนคนนั่งเล่นไพ่กดูแค่เล่นไพ่อย่างเดียวปวดท้งองฉี่ก็หายปวดเลยอ๋อถ้าถ้าพูดก็เหมือนกับไปไปเป็นไปจิตเปลี่ยนจุดโฟกัสใช่ไหมอาจารย์เปลี่ยนช่องเป็ น, เ ป, นเป็นช่องเหมือนเ ร, <ะ>เราดูาดูดูหนังช่องนี้ไม่ไม่สนุกก็ย้ายไปอีกช่องอ่งค่ะพขาเคยเคยเคยไปนั่งมองมาแล้วมันเคยยิ่งอย่างเลยมันยิงย่งหยาดไม่มเครียด ยิ่งอยากออกจากสมาธิก็เป็นไอ้วิธีเปลี่ยนจุดอันนี้ถูกแล้วค่ะเสริมมลก็ได้พุทโธอันี้ก็อาการชานจุสองก็ได้ค่ะเจ้าขาอาจารย์แล้วหรือใช้อะไรใช้อะไรล่ะใช้วิธีไหนล่ะใช่วิธีว่าเปลี่ยนจุดอย่างอย่างถ้าถ้าพุทโธเนี่ยก็ก็จะไม่ได้ไม่ได้บริกรรมแต่ว่าใช้วิธีหายใจอะค่ะดูลมหายใจเจ้า่ะดูลมหายใจเจ้า่ะ แล้วมันดีมากอยู่ได้ไหมอยู่กับครับก็อยู่ได้ไดค่ะมันก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเปลี่ยนความรู้สึกไปอย่างนี้เจ้าค่ะออไ ด, ด้ความเครียดมันจะเบาลงไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็นั่งสมาธิไม่ได้มากก็เนื่องจากที่ว่าเออเหมือนกับว่าสติมันน้อยค่ะที่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกเคยเคยบอกแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกสติมากขึ้นก็จะเห็นว่าสติ มันมันหายไปเลยกับความที่ว่าคิดบ่อยๆเราตอนนี้รู้สึกว่าคิดฟุ้งซ่านมากค่ะก็เลยพยายามฝึกสติแล้วก็ฝึกหยุดความอยากค่ะพระอาจารย์อใช่พูดโธรก็ได้ถ้ามัคิดมากๆมันไม่หยุดคิดกระท่องพูดโธแข่งมันไปอะทีนี้ถ้าเราทำงานก็ช่วยไม่ได้แต่มันต้องใช้ความคิดอันนี้ก็ก็ช่วยไม่ได้อก็พยายามทําหลังหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้ ว, วค่ะพระอาจารย์ ใช่แตเป็นยังตกค้างอยู่ในใจเรื่องงานมางการต่างๆมันยังตกค้างอยู่ในใจเห็นตารางวันที่ไม่ทํางานตาราวันที่ไม่ทํางานมาปฏิบัติมันจะได้ผลดีกว่าต้องค่ะโอเคนะมีอะไรไหมขอบคุณตุลาพอาจารย์โอเคไม่มีตุลาขอพงศัะดิ์มาพัดจันตุลาขอบคุณเองสุโขทัยเชิญค่ะ เจ้าค่ะ ก, การธรรมะเการเจ้าค่ะพระอาจารย์อมีอะไรไม้มวันนี้มีเจ้าค่ะคือตอนนี้หนูก็พยายามเร่งความเพียรนะคะตื่นมาปีสามแล้วก็สวดมนต์ชมโงงพยายามนั่งสมาธิต่อนะคะแต่คืนนี้หนูติดตรงการนั่งสมาธิของหนูมันไม่ลึกเหมือนสมัยก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์คือพอจะเข้าพอมันเกิดปีติดปุ๊บนะคะพอมันกำลังจะเข้าถึงอุเบกขามจะคืนน้ำลายทุกทีเลยเจ้าค่ะ <c oughs> ไม่เกินเนี่ยปล่อยให้มันไหลไปไม่ต้องไปคืนมัน <c oughs> เหมือนแบบสติมันไตจ่ออยู่ตรงเนี้ยก็ค่ะหนึ่งกลับมาอยู่ที่ลมถ้าเราใช้ลมก็หนึ่งกลับมาหาลมแล้วไม่ต้องไปสนใจน้าน้ำลายมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปไม่ต้อง ไ, ไปคืนมันนะคะคราวนี้ผมก็เลยใช้แบบว่าก็ไม่ไม่สนใจมันค่ะก็ ก็ถ้าเกิดไม่เข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ต้สอนตัวเองว่าเออมันก็เป็นอนัตตาเนาะนั่งสมาทีก็คงไม่ได้อุเบกขาทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่ถูกต้องบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เจ้าค่ะแต่พอมันไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ลงไปได้นะเจ้าค่ะก็คือแบบสามารถนั่งยาวไปได้บางทีก็สองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอที่แห้งผากเลยเจ้าค่ะแต่ก็บางทีก็ไปจออยู่ดีก็ยังแก้ไม่ตกว่าแล้วคณิโหกก็สงสัยว่า ไอ้สัตปัญญาที่เราจะเอามาพิจารณาเจ้าค่ะมันจําเป็นต้องลึกถึงอุเบกขาไหมเจ้าคะถ้าต้องการจะตัดกีรเลชเพว่าต้องต้องถึงอุเบกขาเราจะตัดได้แต่ถ้าถ้าคิดเฉยๆมันก็คิดได้แต่มันตัดกีรเลชไม่ได้เจ้าค่ะถ้าต้องต้องการตัดความกลัวความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่มันต้องไปถึงอุเบกขามันถึงจะตัดได้เจ้าค่ะแล้วบางทีถ้า หนูก็บางทีหนูคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ลงเร็วนะคะเค่ะมันก็ลงไปถึงอเุเบกขาเลยเจ้าค่ะหนูก็สงสัยว่ามันปฏิบัติสลับกันได้ไหมเนี่ยแบบสมาธิแล้วก็มีศาสนามราจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิไงก็เรียกปัญญาอบรมสมาธิเจ้าค่ะอ๋อถ้าเราถนัดทางทางทางนี้ก็ใช้ทางนี้ก็ได้ เจ้าค่ะเพราะบางทีมันก็ไปพิจารณาเองอย่างนี้เจ้าค่ะถ้าพิจนารณามันทําให้จิตปล่อยวางแล้วเข้าสู่เบคคาไดก้ก็ใช้ได้อ๋อเจ้าค่ะแล้วก็คือไม่ต้องคือเราอ่ะสามารถเราสามารถที่จะเลือกหัวข้อที่จะพิจารณาได้ไหมเจ้าคะบางทีมันก็ไปไตรัก บ, บางทีมันก็ไปอนิาายัติ์อย่างนี้ยค่ะของหลวนะคะก็ ล, ง ล, ง ล, ง ล, งลงองลองลองลองทดลองเดีวว๋วว่ามัน <C ā> มันแล้วแต่เหตุการณ์แล้าแต่เวลา่ะติดแล้นไปค่องติดอยู่ของเรื่องไหนอ๋ออ๋ อ, อใช่จริงๆเจ้ค่ะถ้าบางทีเรากังวลเรื่องอะไรเขาก็จะหยิบเรื่องนั้นมาพิจารณาอ๋อพิจารณันว่าได้มันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อ๋อออเจ้าค่ะแล้วก็หนูเพิ่งไปออกสนามลบมาค่ะเพ <ณ S 2> <seas S 1> าาราะการคือเมื่ออาทิตย์สองาทิตย์ที่แล้วค่ะหนูเจอว่าหนูเจ็บที่ต้องนมเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็ไปอุลตราซาวเจอก้อนสามเซนค่ะค่ะอ <laughs> าจารย์แล้วใจเป็นยังไงบ้างคะเป็นไรเลยแล้วค่ะก็คิดว่าถ้าก็ดีเหมือนกันถ้าเจอมะเร็งก็ได้โกนผมจริงแล้ะ <laughs> แต่ท่าแล้วค่ะแต่ถ้าไม่เจอก็ <laughs> อก็ <laughs> คือไม่เป็นไรค <laughs> ือคือเบื่อบแบบสังขารมากเลยแล้วค่ะเออดีท่าอาจารย์เป็นปฏิเสธว่าใช่ได้แล้ว <laughs> ว่าสอบผ่านแล้วค่ะก็คือแบบ ถ้าไปไปตอนนี้ได้ก็โอเคนะคะไม่ห่วงลูกไม่ห่วงใครเลยเจ้าค่ะถ้ากงวลกัวายก็สับปะสายกลัวตาเนี่ยจะสอบตกมาเจ้าค่ะหนูก็ลองใช้อธิษฐานธรรมโอษดูเจ้าค่ะเออและวยังไม่ได้ทำาในโปรแกรมนะคะก็ตอนนี้มันก็ยุบไปเองอีกแล้วค่ะเหมือนมาทดสอบเราอันนี้จำไม่แน่นอนไม่เียงเจค่ะ แล้วก็พยายารแล้วค่ะคือว่าหนูมีแทนว่าหนูจะไปบวชคือหนูเข้าไปอ่านเกณฑ์ของข้าราชการเจ้ค่ะจะมีแบบให้ไปบวชสามเดือนเงี้ยาค่ะอ่ า, อาได้านี้เจ้าค่ะึงเดือนด้วยนข้าราชการใช่ๆช่เจ้าค่ะเมื่อก่อนก็อีุญาตแต่ผู้ชายแต่ตอนนี้เขาให้ผู้หญิงบวชได้ด้วย ใช่เจ้าค่ะหนูไปอ่านพูดไปอ่านดีใจมากเลยเจ้าค่ะกิติอีกแล้วก็อพอพอสอนตัวเองว่าพออย่าไปดีใจเยอะก็ลองเอาว่าไปบวชชีสักสาเดือนหูก็ได้มันกับบวชท่านนี่นะเจ้าค่ะแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยเจ้าค่ะเมื่อห้าปีที่แล้วหนูเคยไปบวชตอนลูกคนแรกสองขวบกว่าเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนั้นก่อนที่จะไปบวชเนี้ยก็ภาวนามาเรื่อยๆเปนปีเจ้าค่ะครั้นี้ก็ท้องคนที่สอง ตอนที่ไปบวชนี่น้องยังอยู่ในท้องสี่เดือนเจ้าค่ะพระาอาจารย์ใช่เจา้าค่ะแต่ก็ไม่ไม่สดน้ไม่เีปัญหาเจ้จาค่ะใช่เจา้าค่ะก็คือพอไปปึ๊บตอนนั้นแบบคือจิตสงบมกากเลยเจ้าค่ะไปเจ็ดวันวัดที่หนูไปจะเป็นแบบสถ า, ปานปฏิบัติธรรมมีแม่ชีดูเจ้เ<อ>าค่ะเขาก็จะมีแบบอะไรให้เราทำอย่างนี้ค่ะมีการาบ้านมีอะไรตอนนั้นไม่ห่วงลูกไม่คือแบบ ไม่ไม่สนใจลูกเลยเพิ่งหย่านมได้สักเดือนหนึ่งเนี้ยเจค่ะแล้วก็คิดว่าไอ้คนที่อยู่ในท้องเนี้ยคือไม่น่ามาเกิดเลยลูกอะไรอย่างเงี well ้ยเจค่ะคือแบบเกิดนี่มันเป็นทุกข์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนความคิดแล้วว่าเขาอาจจะลงมาสร้างบารมีก็ได้แล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปได้สำับเฉลยเข้าไปเจ้าค่ะอือก็ยังชอบปฏิบัติอยู่นะคะเจ้าค่ะคือแบบ ถึงวม้จะเป็นแต่การได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็ดีกว่าการได้เกิดเป็นอะไรทั้งหมดนะเจ้าค่ะการเกิดเป็นมนุษย์นี้ประเสริฐที่สุดเจ้าค่ะมีโอกาสได้ศึกษาวัฒนธรรมสอนและปฏิบัติทําได้เจ้าค่ะงั้นก็ส่งเสริมเขาเวลาเขาเกิดมาเขาอยู่ในท้องเขาเลี้ยงเขให้ดีอย่าไปทำให้เขาตายนะเจ้าค่ะวันนี้เราพาเข้าวัด เสาร์ที่ก็ชวนแม่ไปวัดอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าโซนมากต่อไปอา จ, จะเป็นเ่วยเราก็ได้ต่อไปอาจจะไปะวัดกับเราก็ได้จ้าค่ะโอเคจ้าค่ะอย่างนี้เลยก่อนอ๋อ ไ, ไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวรอไว้สัมภาษณ์หน้าเจ้าค่ะได้หรือเดี๋ยวถ้าตอนท้ายได้เดี๋ยวเดี๋ยอาจจะให้ถามอีกรอบหนึ่ก็ได้เจ้าค่ะอัญมงค์ธนารักษเจ้าค่ะคุณเวลาไม่ได้เปิด วิดีโอไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมถ้าได้ยินเสียงอยากจะพูดก็ต้องเปิดวิดีโอให้เห็นหน้านตากันหน่อยคงไม่อยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวไปที่คุณหล้าก่อนดีไหมคุณหล้ามีมีคำถามมาทางเฟซบุ๊กไหมมีเจ้าค่ะมีคำถามห้าจากห้าท่านมาจากทางเ c e บุ๊ k กับ u t u b e เจ้าค่ะอาเชิญถามได้เลยคำถามแรกจากคุณนอมนะมากราบขอความกระจ่าง ฟังมาว่าสติมาสัมปชา n o เป็นการทําสมถะหากเป็นสัมปชา n o สติมาเป็นวิปัสสนาฟามฟังมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะกับาจท่เมมันก็เป็นสมถะสัตย์กับสัมปชัญญะมันก็ทําได้แค่สมาธิเท่านั้นแหละไม่ว่าม่ว่าจะพูดหน้าหลังมันก็อันเดียวกันเท่ะไหร่ถ้ววิปัสสนามันต้องเห็นตายักเห็นอริยสัจสี่แต่เนี่ยเรียกว่าวิปัสสนา คำถามต่อไปจากคนเจสเจสิก้าขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยแ น, นะนําการเจริญเมตตากับ ค, คนที่ทําไม่ดีคิดไม่ดีกับเราหน่อยเจ้าค่ะควรพิจารณาแบบไหนเจ้าคะก็พิจารณาสัพเพสัตตาเนี <b> ่ยพระเจ้าบอกว่าไม่ให้เลือกสัรพสัตว์ทั้งปวงเราต้องเมตตาหมดไม่ว่าคนเขาจะรักเราหรือชอบเราหรือเกลียดเราหรือไม่สัพเพสัตตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่ชอบเราทั้งที่เกลียดเราเราก็ต้องให้ความรักเขาความเมตตาเขาเท่าๆกันออจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกเวลานั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายไปจากความรู้สึกก็จะอยู่กับความว่างบางครั้งรู้สึกได้ถึงการหายใจเล็กน้อยหนูก็จะรู้เฉยๆแล้วก็อยู่กับความว่างต่อไป หรือในกรณีนี้ควรกลับมาดูลมหายใจเจ้าคะอยู่กับข้อม่างก็ได้ถ้าอยู่กับข้อม่านได้ก็ไม่ต้องกลับมาหาลมก็ได้เพราะจำเการคอยจิตมันนิ่งไม่ให้มันคิดอะไรนะคําถามที่สองยังได้ยินเสียงและความรู้สึกของร่างกายแต่ไม่ลาคาญหากมีความคิดก็พยายามหยุดคิดจนลมหายใจกลับมาก็ออกจากจัน์นั่งสมาธิ หากปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยพยายามเจริญสติให้มากขึ้นจะนั่งได้นานขึ้นและสงบมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องพยายามนั่งต่อไปให้ได้ถ้าไม่อยากจะลุกก็พุโทโธแทนก็ได้ถ้าดูลมไม่ได้ดูลมแล้วสู้มันไม่ได้ก็ลองใช้พุโทโธท่องพุโทโธเพื่อให้จิตมันมีอะไรทํามันก็อาจจะนั่งต่อไปได้าำถามต่อไปจากคุณแมวน้อยตาโป ขอสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาเราทำบุญหรือหลังจบจากการเวลานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเราควรอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการหรือเราไม่ควรอธิษฐานอะไรเลยคะพระอาจารย์คือคำว่าอธิษฐานนี้มันมันมีสองความหมายอธิษฐานคือความตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติหรืออธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้การขอนี้ไม่ได้เป็น เป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ขอไปยมวันตายมันก็ไม่เกิดฉันขอให้ไปนิพพานขอไปนน่นมาหนี่มันต้องทำนะงั้นเราต้องตั้งเป้าว่าตอนตอนนี้เราจะทําเหตุที่จะทําให้เราไปนิพพานซึ่งเหตุที่จะทําให้เราไปนิพพานก็คือการปฏิบัติธรรมนี่การักษาศีลงั้นควรจะอธิษฐานก่อนที่จะมาปฏิบัติไม่ใช่มา ปฏิบัติเสร็จแล้วค่อยมาอธิษฐานเหมือนไปตั้งตั้งเป้าว่าจะไปกรุงเทพแต่มาตั้งตอนที่ขึ้นรถไปเชียงใหม่แล้วมันก็ไม่ได้มันก็ต้องตั้งก่อนที่จะไปขึ้นรถว่าจะไปกรุงเทพจะได้ไปเป็นเรื่องรถที่จะพาเราไปกรุงเทพเข้าใจไหมนั่นอาการอาธิษฐานที่ต้องทําตอนก่อนที่เราปฏิบัติมาต่อไปนี้จะนั่งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยออย่างเงี้ยเรียกว่าอธิษฐานเมื่อได้มาท่า น, นเสร็จแล้วก็มาอธิษฐานรอวันที่นั่งได้สองชั่วโมง มันมันมันผ่านไปแล้วอธิษฐานนี่ต้องการอธิษฐานเพื่อบังคับใจบังคับตัวเราให้เราทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราถ้าเราไม่บังคับมันอาจจะไม่ยอมทําอย่างพระพุทธเจ้าว่ า, จจาอธิษฐานตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นเพราะว่าจะนั่งไปจกนกว่าจะตัดชลู๊กเนี่ยเนี่ยคือความหมายของคําว่าอธิษฐานคําถามสุดท้ายจากคุณสุมาศโพอาศัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ มีวิธีการควบคุมเวทนากี่วิธีที่ทําแล้วได้ดีครับก็สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือสติเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเวทนาปล่อยมันอยู่ตามเรื่องของมันใจเราก็จะอยู่กับมันได้หรือวิธีหนึ่งก็พิจารณาเวทนาว่าเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมมังคับมันไม่ได้มันจะ ฝนจะตกมันก็ตกแดบดบจะออกก็ออกเวทนาจะมาก็มาจะไปก็ไปก็ปล่อยมันไปมันจะอยู่ก็เราปล่อยมันอยู่ไปหัดทําใจให้อยู่กับมันถ้าทําใจได้มันก็อยู่กับเวทนาได้คุณคุณพัทลาพรพิ่เข้ามาอาเชิญเป็นยังไงไปรับลูกกลับมาแล้วหรอือยังอยู่ในนอตเ จ, จ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะหลวงพ่อถึงบ้านแล้วจะขากับนมัสการเจ้าค่ะ ห น, น้าเดียวสบาดีหน้าเดียวครับสวัสดีครับหลงตาสบายดีครับมีอะไร<ม>ไหมถามไม่เหนื่อยงงเขาอยากถามแต่เขาบอกหลงตาเดียวหลงตาเหนื่อยแล้วคุณแม่ไม่ไเป็นไรถามได้ไม่เหนื่อยจนกระทั่งนานๆจะม <จำ S 2> ีโอกาสได้ถามได้ทีถามเดียวมีอะไรถามภาษาอังกฤษก็ได้ถามภาษาไทยไม่ได้กับภาษาอังกฤษก็นด้ เปิดไมค์ก่อนอันนี้ไมโครโฟนก่อนครับสวัสดีครับผมตาว่มามา อ, อืช่วงนี้เพราะว่ามีล็อกดาวน์นะครับแล้วเหมือนเราเหมือนมันเราก็เราเหมือนเราทำตามฟอ l โลแว a n ของเราไม่ได้ปกตินีปกติเรืองเรียงริวจะมีแบบจัดเวลาไปยิมหรือว่าไปอะไร เนี่ยครับแต่พอทุกอย่างปิดลงไม่เหมือนทําให้น้องริวขี้เกียจลงแล้วมันทําให้ทุกอย่างเริ่มขี้เกียจไปหมดแล้วเรื่องเรียนแล้วก็ทํากรรมฐานก็น้อยลงก็ต้องลงครับตัวเองต้องลงครับต้องตั้งเวลามันพระครับต้องตั้งตารางแล้วถึงเวลาก็ต้องทําตามที่เราตั้งตามตารางเวลานี้ทําเรียนหนังสือเวลานี้นั่งสมาธิเวลานี้กินข้าวเวลานี้ทําทําตามตารางไปครับเพราะว่าเหมือนว่าพอ พอมีล็อกดาวน์แล้วเหมือนมันทําให้สิ่งที่เราจัดไว้เหมือนเรามีที่แพนเคยมีมันเหมือนมันล้วนแล้วมันก็ทําให้ระบบเอระบบเสียก็คิดว่เาเหมือนกับมีมีมีมีพายุมีพายุเราก็ออกไปนอกบ้านไม่ได้ก็ต้องอยู่ในบ้านพเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องหัดปรับใจปรับตัวเราเองให้รับกับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะไปฝืนได้ครับ<ม>เลข เรองนี้มันก็เหมือนทําให้เหมือน loss motivation ใช่ไหมครับไดแต่เราสามารถปลูกมันขึ้นมาใหม่ได้เพราะเราไม่ไม่ active เหมือนก็เราก็ทำทำในบ้านได้เนี่ยออกกําลังกายก็ได้เดินในบ้านก็ได้เนี่ยเดินเล่าห้องเนี่ยเดินไปเดินให้มันเหนื่อยเดินให้มันเมื่อยเดินให้มันเหนื่อยอะไรก็ได้ทําได้ถ้าเราจะทำเนี่ยหาวิธีทําออกกําลังกายไปเลยยืนอยู่กับที่กระโดด กระดดขึ้นกระโดดลงก็ได้นั่นเดี๋ยวมันก็มีพมลังขึ้นมาเองเพราะขับอขอบคุณครับอยู่ที่เราอ่ะเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพเราจะไ ป, ปยึดติดกับสภาพเดิมไม่ได้เพราะสภาพเดิมตอน น, นี้มันมันไม่มีแล้วมันผ่านไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่บ้านก<ม>็ต้องต้องทําในบ้านแทนปรับตัวอืม Like, but like for example, if if I go to a gym and then I have plans to do things, but now I don't have any plans. So for like, so if you I can't, I just I make, just become more lazier than yeah. You, you, you have to make plans. And you have to schedule schedule. Okay, this this hour I'm gonna do exercise. I'm gonna do it in the house or outside of the house if you can yeah. walk around the house. Instead of going to the gym, you can do it at the, at home. Just do yeah. like when you did before, except the the place is different. So. Huh. Yeah, because because of this, I feel I feel like I do less meditation as well. Because yeah. feel like when you don't do one thing, I feel like I become. h i s b e a u s e everything j u s gone down. You have to force yourself if you want to keep yourself motivated. Yeah. You just you just don't let the the changing condition makes you change. You have to stick to your original your schedule. What time you work? What time you go to school? What time you eat? What time you sleep? You still can do it the same way. Okay. Okay. okay? นี่ครับขอบคุณครับเราเป็นพวกกลุ่มชะตาชีวิตของเราเราอย่าปล่อยให้เหตุการณ์มากลุ่มชะตาชีวิตเราเราต้องบังคับชีวิตของเราให้ดําเนินไปในในทางที่เราต้องการให้มันไปถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมาเป็นตัวตัวตัวตัวควบคุมเดีย use, ๋ยวก็แล้วก็ไม่ไปไม่ไปไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็เซซ้ายไปเซไปเซไปทางขวาเซไปทางซ้า ย, ไ, ายไปไม่ถึงไหน ถ้าเราตั้งเป้าหมายตั้งตั้งตั้งเวลาลว่าเราจะต้องทําอะไรเ้วก็ทําตามที่เราตั้งไว้มันก็ไปของมันได้เองน ะ, อะโอเคขอบคุณครับขอบคุณพระองคงพ่อรู้สึกว่าทุกคนได้มีโอกาสได้ถามคำถามหมดแล้วทุกคนไม่มีใครคน ล, เละเลยเชิญคนละ มีหนึ่งคำถามมาจากทาง y o u ูทูบเจ้าค่ะจากคุณรัชกรกราบเรียนถามพระอาจารย์จิตอยู่เหนือความคิดใช่หรือเปล่าคะไม่หรอกจิตกับความคิดมันก็มาที่เดียวกันจิตเป็นดัเป็นผู้คิดดักเป็นผู้รู้แต่จิตได้สามารถหยุดความคิดได้ด้วยสติเคุนจีบจากนอสอจากแมริลันเชิญ กราบจารัสการพระอาจารย์ได้ได้ยินไหมเจ้าคะได้รั บ, บ ไ, ได้รับปัจจัยที่คุณลาส่งมาให้แล้วนะค่ะโมธนาศาสตร์ทุกข้ครับคุณคุณลาคะ่ะโยมไม่มีอะไรคะ่ะโยมแค่จะพอดีนึกว่าวันนี้มีติดประชุมต้องไปส่งลูกชายด้วยไปทําไปเดะทําติดเหล็กดัดฟันนะคะก็เลยนึกว่าจะไม่มีโอกาสเข้ามากาบพระอาจารย์แล้วเลยเข้ามากาบ ค, ค่ะก็ขอขอให้พระอาจารย์เถิดพระคุณแรงแล้วก็โยมจะบอกว่า ช่วงนี้มันมีผัสษะเข้ามากระทบเยอะมากเลยโยมก็พ ย, พพยายามใช่พุทโธใช่พุทโธอยาไป่ค่ะโยมก็พยายามทำตามใช่ค่ะก็เหมือนเมื่อกี้พี่คนหนึ่งที่อยู่นอตเทอร์ไรนะที่บอกว่าออจะอดกินสมูทตี้สงสัยโยมคง ต, งตั้งตั้งแบบเดียวกันว่าจะไม่กินชานมไข่มุก <c oughs> ตอนนี้โยเพื่อนแซวแล้วบอกว่าถ้าเจาะเลือดออกมาคงหยดมาเป็นเม็ดไข่มุกแน่เลยหยดหยดหยดเลยกินเยอะมากเลยนอ่นัดมันบ้านมอดน้องนัสเจ้าค่ะก็เลยเออสงสัยจะต้องมีบทเรียนแบบเดียวกันแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะยงก็พยายามจะปฏิบัตินั่งสมาธิให้เร er ื่อยๆแต่บางทีมันก็หลับมันยังรู้สึกง่วงๆงนิดนึงแต่ว่าก็ก็ดีขึ้นเจ้าค่ะ อันนี้ก็เซลินธอไม่ได้เข้ามาติดต่อกันอยู่อ๋อวันนี้เอ่อเซลินธอนติดต่อค่ะเซลินธอนบอกว่าเอ่อวันนี้เขาติดประชุมค่ะก็เลยไม่สามารถเข้ามามได้ค่ะค่ะโยมก็แบบโอกาสเอ้ยเข้ามารอบหนึ่งแล้วเข้าพอดีสัญญาหลุดเลยลองเข้าอีกทีนึงว่าพระอาจารย์เลิกไปหรือยังอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์กลับนมัสการรักษาสุขภาพค่ะโอเคค่ะอมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าถามต้องการก็ยกมือแล้วก็ กดอันนี้ก็พูดได้เลยสึกตอนนี้เหือแค่สามสิบสี่คนอยู่ในห้องตอนนี้คงจะมีพวกที่ไม่ได้เปิดวีดีโอหลายคนอยู่เพราะที่เปิดมีประมาณยี่สิบคนนะคิดว่าไม่มีแล้วมั้วันนี้คุณหล้ามีครับจันคุณหล้ามีหนึ่งคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจากคุณบีน ติดสมาธิต้องแก้ไขอย่างไรครับพระอาจารย์มไม่ต้องแก้สมาธินี่ติดได้ลอนนี่เพียงแต่ว่าเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็มาหัดพิจาณาทางปัญญาด้วยนะสมาธินี้ต้องติดไปจ น, นถึงนิพพานเลยเลิกไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่าทำแต่สมาธิอย่างเดียว<ม>เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้ทําทางปัญญาให้พิจารณาใจรักพิจารณาร่างกายขันห่าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา สมาธิติดแล้วดีว่าสมาธินี้เป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ไปจนยวกาัาเราจะถึงนิพพานเนี่ยเพียงแต่ว่าอย่าทําแต่สมาธิอย่างเดียวเพราะทําสมาธิอย่างเดียวไปไม่ถึงนิพพานอย่าไปถึงนิพพานต้อ ง, ต, องต้องทําปัญญาด้วยต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาสนับ ส, สนุนกันศีลก็ต้องมีเหมือนเดิมเราก็ต้องติดศีลสมาธิปัญญาเพราะเมนี้ติดได้ไม่มีโทษไม่มีปัญหาเลยต้องทําให้ครบทั้งสามส่วนศีลก็รักษา ให้บริสุดสมาธิก็เข้าไปบ่อยๆให้จิตสงบช่วงที่ออกมาจากสมาธิก็คิดทำปัญญาไปแล้วก็จะไปถึงนิพพานเพราะมันจะสามารถทําให้เราตัดกิเลสได้หมดเป้าหมายคือต้องตัดกิเลสถึงจะไปถึงนิพพานเนะี่ยตัดสมูทติ้ตัดไข่มุกตัดอะไรทั้งหลายที่เราติดกันอยู่เนี่ตัดกาแฟติดขนมตัดอะไร ตัดไปให้ทัหมดดื่มแต่น้ำเปล่ากินข้าววัดเทงเวลากินก็กินแต่เฉพาะเวลากินข้าวนุ่นั้นเวลาไม่ใช่เวลากินข้าห้ามกินอะไรห้ามอะไรเข้าปากนอกจากน้ําเปล่าอย่างเดียวเนี่ยถึงจะตัดกิเลสมันถึงจะไปถึงนิพพานกันได้มีหนึ่งคําถามเพิ่มเข้ามาเจ้าค่ะจากทางเฟซเอ๊กจากคุณวรยุทธ์กราบนมัสการครับปฏิบัติมาเจ็ดเดือนจิตสงบบ้างบางวัน อยากสอบถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่าควรส่งออกทางด้านปัญญาแล้วควรออกด้านปัญญาเมื่อไหร่ครับแค่เวลาไม่อยู่ในสมาธิถ้าอยากอยากทางปัญญาก็าออกได้พิจารณาร่างกายว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นดินน้ำลมไฟมีอาการสาสิบสองนี่พิจารณาได้เวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธิมีอีกหนึ่งคำถามเข้ามาเจ้าคะ่ะ ถับเรียนถามพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิถึงขั้นไหนถึงจะเรียกว่าสมาธิครับพระอาจารย์ตอนขั้นอุเบกขาจิตตั้งรวมสง บ, บเป็นหนึ่งสักระว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขมากแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้สึกกับอะไรทั้งนั้นถึงแม้จะมีรูปเสียงกลิ่นรสไทยสัมผัสรับรู้ก็จะเฉยจิตต้องนิ่งไม่คิดปรุงแต่ง คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ ม, ม, มีคุณปางวะไรยกมือครับพระอาจารย์เชิญกับนัสการคคำถามอีกข้อหนึ่งค่ะพอดีเมื่อสามอาทิตย์ก่อนนะคะโยมเคยฟังญาติธรรมท่านหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องถามพระอาจารย์เรื่องของกายยนคนะคะอ่ะค่ะทีนี้ไปหาหนังสือยังของพระอาจารย์ยังหาไม่เจอก็เลยไปค้นในยูท b e เจอคลิปธรรมะของ หลวงตา บ, บัวพูดถึงไก่นครแต่ว่ายังยังไม่ค่อยเข้าใจดีะค่ะพระอาจารย์ไก่นครก็คืออาการ312นี่ให้เราพิจารณาอาการ312นี่ก็เที่ยวท่องเที่ยวในกายนครผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกันดูดูแต่ละชิ้นแต่ละอันดูลักษณะของมันผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนหนังอยู่ตรงไหน หังก็หุ่มอยู่ราบตัวเลยเนื้อก็อยู่ใต้ผิวห น, นังคอกระดูกอยู่ตรงไหนโคงกระดูกก็อยู่ใต้ใต้เนื้ออีกทีนั่นแล้วก็บอดตับไตหัวใจอะไรต่างๆนี้เขาเรียกว่ากายนครอันนี้หมายถึงว่าใช้ใช้ปัญญามามาพิจารณาใช่บางทีเวลานั่งสมาธินั่งไม่ยอมอยู่กับพุโทโธไม่ยอมดูลองก็ลองใช้กายนาครแทนก็ได้ อ๋อเพราะว่าตอนที่ยมเคยเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าพอยมนั่งสมาธิแล้วนิ่งแล้วยมก็ไปคิดถึงเรื่องของเรื่องของอ า, อาอลอยศักดิ์ ส, สิหรืออะไรหรือว่าการคิดถึงเรื่องพวกนีนน้ เมือนคน<ก>นอนหลับอยาไปปลุกขึ้นมาทำงานไหวก็หลับไปไหวก็ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปทำงานต่อค่ะขอบคุณค่ะโอเคมีท่านใหม่เข้ามาคุณเอาเวลาเลยเอาเวลาหงุดหือดป่าสัตสตาเอเวลาหงุตุออยู่ที่ไหนเอาเปิดไม้ก่อนจะอันเดีมครโฟน โอเคพูดได้การรักษาเจ้าค่ะป่ะจานมาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนกรุงเทพเจ้าค่ะกรุงเท พ, ม, เทพมีอะไรไหมก็เมื่อเมื่ออ่าต้นสิ้นปีนะเจ้าค่ะเคยเคยหยุดหยุดปฏิบัติต้องแต่ตอนสิ้นปีพอจะมาเริ่มใหม่เมือ่อเมื่อเดือนนี้ยมันต่อไม่ติดเจ้าค่ะถ้ไม่เวลานก็ต้องใช้เวลาหน่อยเป็นเคบินอะ พอลงมาแล้ก่อจะมันขึ้นมามันก็คือก่อนนั้นเคยนั่งได้สี่ชั่วโมงครึ่งเคยนั่งได้สี่ชั่วโมงครึ่งแล้วมันมาจมอยู่กับความทุกข์ไม่เป็นไรก็มันเริ่มใหม่เอาทีละเอาทีละน้อยเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมันก็ได้ถ้าเคยได้ก็เลยริมพอเริ่มใหม่มันมันมันไปทนามันลุมหนักมากเลยเจ้าค่ะจากที่เคยแค่ปวดขาหลังก็มา ตะคิวก็มานุมกันพร้อมๆกันเลยเจ้าค่ะสติเราไม่ค่อยมีไงฝึกสติให้ม า, มากๆก่อนที่จะมานั่งมา <จะ S 1> อยากพูดโธยอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะก็เลยเปลี่ยนมามาสวดมนต์บทพอสวดไปเรื่อยๆตามันก็หลับเองอัตโนมนัติเจ้าค่ะพอหลับไปสักพักมันก็เหมือนมันจะนิ่งแล้วเหมือนเห็นตัวหนังสือบทสวดมนต์นะเจ้าค่ะอืมก็ไม่เป็นไรเจ้าหลับตาแล้วก็สวดได้ก็สวดไป เจ้าค่ะอันนี้ก็จะเริ่มใหม่พอดีนั่งฟังพระอาจารย์มาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดซูมฟังที่เฟ e b o o กมาเจ้าค่ะพอดีเข้ามาที่ห้องพระแล้วก็เลยจะมาเรียนถามก็นึกอยู่ในใจว่าถ้ามีวาสนาคงได้ได้สนทนาพกับพระอาจารย์ก่อนได้สวดมนต์เจ้าค่ะแล้วก็โชคดีจริงๆริ ทำไปใจเย็นๆน้ำตาไหลอย่ารีด้อนใจเย็นๆเพราะว่ามันจะให้มันกลับไปเหมือนเดิมนี่ก็ต้องใช้เวลาเพราะเราทิ้งมันมานานเจ้าค่ะก็ค่อยๆตากเต้าขึ้นไปไปทิ้งไปก็เกือบสองเดือนแล้วเจ้านั่นแหละลงตาหมาบัวทั้งนั้คอยเสื่อมสมายที่ท่านเสื่อมแล้วอยากจะให้มันกลับไปยิ่งอยากยิ่งเครียดใหญ่ท่านก็เรามาจัดประเด็นว่ากลับไปยังไงอ๋ต้องพุทโธพุทโธทั้งห็เลยขยันพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็กลับเข้าไปได้ เ<น>จ๊ะค่ะอย่ า, ะย า, ะยาไะยานไ ะ, ะยานพุทธโทพุทธโทไว้ไปยานพุทธโธไปยานสวดมนต์ไปนะเดี๋ยว ก, กลับก็ไปได้เองแล้วค่ะโอเคกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณละต่อคำหนึ่งมีอีกสามคำถามเจ้าค่ะคำถามคำถามแรกจากคุณปนัดดากลาบนมัสการพระอาจารย์ขอคําแนะนําในการฝึกตายทุกวันเจ้าค่ะ ก็เห้นักริอยู่เรื่อยๆว่าหายใจเข้าแล้วม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้ไม่หายใจเข้าก็ตายให้นักเริ่อยู่เรื่อยๆบ่อยๆเวลาไหนพอจาได้บ้างๆก็ให้ลึกว่าอ้หรือถ้าเราหายใจเข้าแล้วเราไม่หายใจออกเราก็ตายนะความตายนี่มันอยู่แค่เราหายใจนี่เองอยู่ท้ายใจเมื่อไหร่ก็ตายให้คิดอย่างนี้เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นี่แลก็เป็นความตาย คำถามต่อไปจากคุณสุดที่นี้กลาพระอาจารย์ค่ะเวลาภาวนาพุโทโธต้องมีจังหวะหรือไม่คะหรือท่องในใจไปเรื่อยๆคะ่ะไปยันไงทในใจช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่เราจะพอก็พอใจบางครั้งถ้ามันเร็วมันมันมันดีก็เร็วบางครั้งมันช้ามันดีก็เอามันช้าแล้วแต่จิตของเราบางที่มันฟุ้งมากอาจจะท่องต้อ ง, ท, องท่องเร็วหน่อย ถามันไม่ฟุ้งเราก็ท่องช้าหน่อยก็ได้อพยายามให้จิตนิ่งก็จะเครียดจนปวดท้องเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าภาวนาพุทธหายใจเข้าและโุทหายใจออกก็จะเหมือนไปบังคับลมหายใจเรื่อยๆค่ะก็อย่าไปบังคับเสีเยก็พุโทโธไปเฉยๆพุทโทพุทโทโดยที่ไม่ต้องไปผูกขับลมก็ได้อยู่เอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ปล่อยให้ลมมันหายใจไปตามเรื่องของมัน คำถามสุดท้ายจากคุณบีมกราบนมัสการครับอีกคำถามหนึ่งครับเวลาปวดหัวปวดท้องผมพยายามไม่เอาจิตไปจับความรู้สึกที่ปวดอยู่มันทำให้เบาบางความเจ็บปวดได้ทำให้เกิดปัญญาตรงที่ว่าจิตก็ส่วนหนึง่งร่างกายก็ส่วนหนึง่งความรู้สึกก็ส่วนหนึง่งถ้าจิตไม่ให้ความสำคัญจิตก็จะไม่ทุกมาก ผมพิจารณาแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ดูที่ผลเนี่ยถ้าจิตไม่ทุกข์ก็ถือว่าถูกต้องเราปฏิบัติก็เพื่อให้จิตเราไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกกับเวทนาความรู้สึกต่างๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ เ, รเป็นปลายทางเรื่องของมันหมดแล้วใช่ไหมค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคอรัคุณทวิสาเชิญอันมิลได้เลย ค่ะขค่ะนำ้ำมัสการอีกรอบค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องการว่าจะไม่ถามเดี๋ยวเอ๊ะมันก็ยังติดอยู่ก็เลยถามดีกว่าอเอาเลยค่ะ อ, อ, อยากจะถามว่าเวลานั่งสมาธิค่ะอืมคือหายใจแรงมากแล้ว เ, เคยไปอ่านหรือฟังว่าที่เวลาเราหายใจแรงมากว่าเรา เราแบบว่าเป็นคนที่มีเจ้าโทสะมีอารมณ์โกรธแล้วเราก็ได้คิดว่าเออจริงเวลาเราโกรธขึ้นมาแล้วอารมณ์โกรธเรารุนแรงแต่เราไม่ค่อยจะโกรธแต่ว่าโกรธเราเราจะบอกว่าอารมณ์อารมณ์แรงอะค่ะก็เลยว่าเราจะทํายังไงกับหรือเราต้องปรับการหายใจ ไ, ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันไปมันจะแรงเรื่อยๆกับเรื่องของมันไม่ต้องไปบังคับมันเราเพียงแต่ใช้ลมไปที่เกาะใจเป็นที่ผูกใจอะไเอง มันแรงก็ได้มันค่อยก็ได้ไม่ไม่เป็นประเด็นไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรอ๋อเจ้าค่ะแล้วมันแรงแลเดี๋ยวมันจะอาจจะค่อยก็ได้พรจิตเริ่มจะสงบมันก็จะเบาไปเองใช่ค่ะเวลามันมันจิตเข้ามันมันมันก็จะนิ่งไปเองค่ะแต่เอีะเอ่อก็เรียเอ๊ะแต่เวลาเวลาเราโกรธนี่อารมณ์แบบมันเหมือนเราจะปี๊ขึ้นสูงเราก็เอ๊ะมันจะมีวิธีทำยังไงให้อารมณ์เราลงหรือว่าเราต้องเข้า ได้ถึงอุเบกขาบ่อยๆอะไรอย่างงี้ ห, หรือเปล่าคะพฤติบ่อยๆเวลาเกิดความโกรธแล้วก็ใช้พุทโธดลดมันได้ล ด, ดลงได้คแล้วถ้าไม่อุเบกขามันก็ยังไม่ค่อยโกรธอุเบก ข, า, ขามันจะคอยกดความโกรธไว้ครับค่ะเมื่อมัมก็เลยว่าเอมเวลาเวลาบางบางบางครั้งที่เคยเคยเคยเข้าสมาธิลึกมันจะแบบว่าเหมือนหายใจแบบพุกพุแล้วมันก็จะ ูไปมันก็จะคลายไปอย่างเงี้ยค่ะาได้ก็ไม่เป็นไรรู้ตามความเป็นจริงไปได้ทั้งเองไมนสำคัญคือไม่ต้องไปไม่ต้องกังวลกมันไม่ต้องกังวลว่ามันจะแรงไม่แรงขนาดไหนปล่อยมันไปตามเรื่องของมันอิ่างที่เราต้องขอควบคุมก็คืออารมณ์ของเราเท่านั้นคือจิตของเราอี่ให้มันวุ่นวายอย่าให้มันโกรธให้มันเป็นอุเบกขาค มีตรงนี้นะคะที่ติดได้รับคาตอบแล้วค่ะอนนะขอบพระคุณค่ะโอเคเราปฏิบัติจิตไม่ใช่ปฏิบัติร่างกายีแต่จะใช้ลมเป็นเครื่องผูกจิตเพื่อเิมออกลมจิตเท่านั้นองอืมค่ะโอเคนะที่ว่าวันนี้พอวาก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงสี่สิบสานาทีแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเรื่องแรงจะหมดละ เดีย๋ยวว่าถ้ามีใครมีคําถามอีก <c oughs> ก็จะเปิดโอกาสให้ถามอีกถ้าไม่มีก็ไว้อธิษฐานกันแล้วกันนะแล้วถ้าอยากจะติดตามสดเดี๋ยววันวันศุกร์นี้ก็าน่ามีถ่ายทอดสดจะแสดงธรรมตั้งแต่วันศุกร์วันพระแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปต่อไปถ้าใครผ่านมาทางนี้อยากจะแวะมาฟังก็ได้บ่ายสองโมงเอาแล้วนะขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอิน